อย่านั่งทิ้งเวลาปล่าๆหายใจไปรู้สึกตัวไปเวลาหมดตลอดเวลาไม่มีคืนมารู้สึกตัวไปหาใจใหายใจสบายๆหาย ใ, หใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวอย่าใจลอยแล้วก็อย่าบังคับตัวเองให้เคร่งเครียดและรู้สึกแค่รู้สึก เนีจิตหนีไปที่อื่นให้รู้ทันนะสนใจธรรมชาติของจิตสนใจของข้างนอกไม่สนใจตัวเองหลวงพ่อมาเทศน์พิสุโลกหลายครั้งละพวกเราหลายคนก็ได้เคยได้ยินได้ฟังบางคนไม่เคยเจอหลวงพ่อก็ฟังซีดีออก หลวงพ่อไปเทศที่นอนที่นี่เรื่อยๆ เ, นะเจอคนที่เขาฟังซีดีไม่เคยเจอหลวงพ่อเลยเขาก็ภาวนาเป็น้จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาได้จริงๆไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งใจมันเป็นผู้ตื่นขึ้นมาแล้วเห็นกายเห็นใจทำงานได้คนทำได้เยอะแยะเลยเมื่อกี้ก็มีเด็กสิบขวบหนึ่งส่งกันบ้าน เขาเห็นร่างกายกระเจายรคนละอันกันเห็นเหมือนมีพัดลมหมุนอยู่ข้างในใจมันหมุนอยู่ข้างในลูกเล็กเด็กแดงเขาก็พานาได้กันพวกเราถ้าฟังซีดีมาหรือเคยได้ยินหลวงพ่อแล้วลงมือดูนะไม่นานก็เข้าใจธรรมะไม่ใช่ของยากอะไรหรอกไม่ใช่เลอกลึกลับแต่ละเอียดลึกซึ้ง ต้องการการใส่ใจแต่อย่าให้เครียดขั้นแรกเลยที่จะปฏิบัตินต้องรู้ก่อนเราพอปฏิบัติไปเพื่ออะไรทุกวันนี้สำนักปฏิบัติมันก็เยอะแยะไปหมดนะที่น้นก็ปฏิบัติที่นี่ก็ปฏิบัติเป็นมานานอย่างนี้เอาเข้าจริงๆแล้วมันก็ผิดเหมือนที่พระพุทธเจ้าเคยบอกส่วนใหญ่นะ ทุกแข่งทุกแข่งมันก็เหมือนเหมือนกันคือถ้าไม่เผลอไปเขาบังคับไว้ก็มีเท่า น, นั้นเองจิตมันไม่เข้าสู่ทางสายกลางจริงๆมันไม่ตึงไปมันก็หย่อนไปคนทั่วๆไปที่ไม่ได้พาวนามันหย่อนไปหย่อนไปก็คือจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวล่องลอยคิดเรื่อง น, อน้อนเรื่องนี้ลืมตัวเองทั้งวัน สนใจแต่เรื่องข้างนอกสนใจสิ่งที่เราไปเห็นสิ่งที่เราได้ยินสิ่งสนใจกลิ่นสนใจรสสนใจสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายสนใจเรื่องราวคิดนึกทางใจเราสนใจรูปไม่สนใจตาสนใจเสียงไม่สนใจหูสนใจกลิ่นไม่สนใจจมูกสนใจรสไม่สนใจลิ้น สนใจสิ่งที่มากระทบร่างกายไม่สนใจร่างกายสนใจเรื่องราวที่คิดไม่รู้เท่าทันจิตใจที่แท้จริงของตัวเองนี่หลงออกไปอย่างนี้ตลอดพวกนี้เรียกว่าย่อนไปอีกพวกหนึง่งพวกนักปฏิบัติเกือบร้อยลร้อยพวกตึงเกินไปตึงเกินไปก็คือบังคับกายบังคับใจให้มันลำบากเล่น คิดว่าการบังคับตัวเองมากๆานะั่นคือการปฏิบัติธรรมมีร่างกายนะก็บังคับมันมีจิตใจก็บังคับมันยังคิดถึงการภาวนาเนี่ยให้นั่งสมาธิปุ๊บอย่าเริ่มบังคับร่างกายก่อนต้องนั่งท่านี้ท่านี้ไม่ได้ต้องนั่งท่านี้นั่งเถียงกันอีกนะว่านั่งท่าไหนาถูกถ้าลงมานั่งเถียงกันว่านั่งท่าไหนาถูกนั่งภาวนาไม่เป็นหรอกหรือเดินต้องเดินท่านี้ ถ้าเดินท่านี้ไม่ถูกมาเถียงกันเรื่องท่าเดินแล้วภาวนาไม่เปลี่ยนหรอกถ้าพาวนาเปลี่นไม่มานั่งเถียงกันด้วยเรื่องงี่เงา่าต้องเรียก ง, งี้เง่านะนี่พอเราคิดถึงการปฏิบัติทีไรเราจะบังคับตัวเองอย่างพวกเราหายใจมาตั้งแต่เกิดนะสบายๆหายใจมาสบายๆแต่พอเราคิดถึงการปฏิบัติเนี่ยก็เริ่มไปจ้องไปแทรกแซงการหายใจใจก็เริ่มเครียดๆอึดอาดแน่น หรือนั่งก็ต้องนั่งไม่เหมือนปกติเดินก็เดินไม่เหมือนปกติต้องเดินท่า น, นี้ทีก็เถียงกันนะจะ ย, ยกขาสูงเท่าไหร่จะ ก, ก้าวไปยาวเท่าไหร่นะคนขาสั้นกับคนขายาวขามันไม่เท่ากันต่างคนต่างก้าวไม่ใช่ว่าทุกคนต้องก้าวยาวเท่ากันสูงเท่ากันยกแค่นี้ย่างแค่นี้เหยียบแค่นี้ ที่เขาจัดคอสใหญ่ๆเขาพยายามให้เดินเท่าๆกันเพื่ออะไรจะได้ไม่ไปเหยียบคนข้างหน้าเขาบางคนขามยาวเอาควาจริงแล้วไม่ใช่เรื่องการปฏิบัตินะการปฏิบัติไม่ใช่การมากําหนดว่าท่าทางอย่างนั้นถูกท่าทางอย่างนี้ผิดมันอยู่ที่ว่ามีสติหรือเปล่างั้นถ้าเมื่อไรเข้าข่ายควบคุมกายควบคุมใจนะมีกายนะก็บังคับมันเช่นกําหนดลมหายใจไปซสออืนอดเลย เนี่ยทรมานร่างกายหรือจิตใจก็บังคับมันจนมันแข็งแข็งเครียดเครียดแน่แนๆอย่างนี้มันตกเข้าไปในใข่ที่เรียกว่าอัตคิลมะธานุโยกบังคับตัวเองเป็นความสุดตง่งการสุขาริการุโยคกันที่เราหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเนะี่ยหรือในเรื่องราวที่เราคิดนะเพลิดเพลินไปอันนี้เป็นสําหรับคนซึ่งเขาไม่ได้ภานาะนะคนหลงโลก ถ้าหลงไปอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็จะไปทุคติส่วนพวกที่ชอบปฏิบัติแลามาบังคับกายบังคับใจเรียกนอัตตะกิลมัฏฐานโยกมกักจะไปสุคติได้แต่ไม่ไปนิพพานคนละเรื่องกันงั้นถ้าอยากไปนิพพานนะไม่ใช่มานั่งบังคับกายบังคับใจตัวเองหลวงพ่อเห็นพวกเราบางคนในนี้แหละนั่งอยู่หน้าหลวงพ่อด้วยซ้ําไปนอย่างเรบังคับอย่างเพลง ทำหน้าให้ดูเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงนะของจริงจะเป็นยังไงของจริงก็คือร่างกายเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตใจเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้ น, น, นเราเคยเดินขากระเพกขาเราไม่เท่ากันนะเราก็เดินขากระเพกกระเกไปปกตินั่นแหละแต่เราเห็ น, น ร่างกายที่เดินอยู่นะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายกับจิตเป็นโคนละอันกันร่างกายที่เดินอยู่เป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเหมือนกุ่นยนต์ตัวหนึ่งเดินอยู่จิตจอเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์อย่างนี้ก็เรียกว่าเดินเป็นส่วนเดินสวยพร้อมเพรียงอนะไรนั้นไปฝึกโยตวาทิศสวยดีนะไม่จเป็นหรอกแต่ละคนไม่เหมือนกัน งั้นจะมาถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อสอนให้ทำกรรมฐานอะไรถ้าถามอย่างนั้นไม่รู้จักหลวงพ่อหรอกหลวงพ่อสอนหลักของการทำกรรมฐานให้เท่านั้นว่าถ้าจะทำสมถะทำเพื่ออะไรทําอย่างไรทำแล้วมีผลยังไงทำวิปัสสนาทำไปเพื่ออะไรทำอย่างไรทำแล้วมีผลยังไงสอนอย่างนั้นส่วนสมถะใครจะใช้อารมณ์กรรมฐานอะไรมันเรื่องของแต่ละคน ทางใครทางมันมีปรัชนาใครจะใช้อารมณ์กรรมาฐานอะไรก็เรื่องของแต่ละคนทางใครทางมันแต่หลักนั้นอันเดียวกันอย่างเราทําสมถะเนี่ยหลักของการทําสมถะนั้นมีอันเดียวคือน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องอารมณ์นั้นต้องเป็นอารมณ์ที่มีความสุขแล้อารมณ์นั้นต้องไม่เป็นผิดศีลผิดธรรมอารมณ์ผิดศีลผิดธรดรมอารมณ์ที่ทําให้กิเลสรุนแรงอะไรใช้ไม่ได้ งันคนไหนถนัดพุโทโธนะถ้ารู้พุโทโธแล้วมีความสุขพุโทโธก็ไม่ยั่วกิเลสด้วยไม่ผิดศีลผิดธรรมก็ใช้ได้ถนัดพุโทโธก็ใช้พุโทโธน้อมจิตไปอยู่กับพุโทโธอย่างมีความสุขพอจิตมีความสุขจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่นก็สงบอีกคนนึงชอบรู้ลมหายใจหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจแล้วรีแลกซนะ์เคล็ดลับของการทําสมถะคือรีแลกซ์นะ ต้องมีความผ่อนคลายมีความสบายมีความสุขหายใจไปอย่างสบายๆนะไม่ใช่บังคับว่าต้องสงบพุทโธพุดโธต้องสงบไม่สงบเรอกเพือเครียดหายใจไปก็หายใจสบายนะหายใจว่าต้องสงบก็นะไม่สงบก็เครียดอีกไม่เคร็ดรับมันอันเดียวกันมปนหลักอันเดียวกันรู้อารมณ์อันเดียวที่มันมีความสุขไม่เครียดงนะั้นเรา ยามาอ้างว่าหลวงพ่อสอนอนุนสอนอันนี้สอนให้ใช้กรรมฐานอย่างนั้นอย่างนี้ที่จริงเราสอนทุกกรรมฐานแะแต่ละสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกแต่ละคนก็ต้องเลือกอารมณ์กรรมฐานที่เหมาะกับของตัวเองต้องดูตัวเองนะเรียกว่าดูจริตถ้าจริตเป็นแบบนี้ใช้อารมณ์อย่างนี้จริตเป็นแบบนี้ใช้อารมณ์อย่างนี้สังเกตเอาเองไม่ยากอะไรอย่างคนจีโมโห ถ้าจะทำให้ใจสงบนะก็เจริญเมตตาโธสากับเมตตามันกลับข้างกันโธสามันเล่าร้อ น, นคิดอะไรแต่ในทางร้ายตลอดเวลาเราก็มาคิดบวกคิดในทางดีกับคนอื่นคิดในทางที่ดีกับสิ่งอื่นคิดในทางที่เป็นมิตรเรียกว่าเจริญเมตตาคำว่าเมตตาคำว่าไมตรีคำว่ามิตรนะคำเดียวกันรากงอวันเดียวกัน งั้นอย่างเราจเจริญเมตตานะเมตตาเริ่มตั้งแต่เมตตาตัวเองก่อนก็ได้นะเพราะเรารักมันเมตตาสิ่งที่เรารักนะ่ะทำง่ายเมตตาศัตรูนี้ทํายากที่สุดเลยนะถ้าใจไม่ถึงทําไม่ได้อะมันเมตตาไม่ลงอยากให้มันตายเร็วๆเ <c oughs> นี่ยนั่งนึกไปบางคนภาวนานล้โมโหตัวเองเคยเป็นไหมแหมทําไมมันโง่อย่างนี้นะดา่ามันใจเลยเมื่อไหร่มันโง่ โง่เจ็ดชั่วโคตรเนี่ยด่าบัณฑ์ผู้หลุดตัวเองด้วยโมโหนะในโมโหอย่าไปโมโหมันนะนั่งสงสารมันโถน่าสงสารนะไอสัสตว์ตัวนี้นะทําไมมันขี้โมโหนักน่าสงสารโมโหที่ไรมันก็ทุกทุกทีเนี่ยสงสารมันเราสงสารไอตัวเนี้ยไอตัวเราเนี้ยน่าสงสารถ้ามันดีจริงคงพ้นทุกข์ไปแล้วละ่ะนะ ในทุกวันนี้ดินกับกดอกกับกด็บกกับด็อกดจมอยู่ในความทุกข์ไปเรื่อยๆน่าสงสารเไม่โหดร้ายกับมันนะเมตตามันถัดจากนั้นก็เมตตาคนอื่นเมตตาคนที่เราชอบก่อนก็เมตตาคนที่เราชอบทําง่ายต่อไปก็เมตตาคนที่กลางๆไม่ได้รักไม่ได้เกลียดถ้าขั้นแอดวานซ์สุดยอดเลยนะเมตตาศัตรูทําได้ไหม ลองนึกซินึกถึงคนที่เราเกลียดสักคนหนึงมีไหมเอาที่เกลียดที่สุดที่เรามีตอนนี้ลองนึกสักคนหนึ่งเอาทุกคนนึกมีไหมมีไหมบางคนไม่ได้เกลียดคนแต่เกลียดหมาอย่างงี้ก็มีนะหมาข้างบ้านตอนดึกๆชอบเหา่าเกลียดมันเมื่อไหร่มันจะถูกยาวางยาตายสตินี่ลองนึกถึงสิ่งที่เราเกลียดแล้วเราเห็นไหมว่าใจเราเกลียดเดี๋ยวถ้าเราเห็นว่าใจมันเกลียดนะใจมันรล้าร้อน แต่ไม่มีความสุขนะเกลียดเขาพุ๊บตัวเองก็ทุกข์ละน่าสงสารนะแล้วเขาเองคนอื่นหรือาสัตว์อื่นนะจริงๆแล้วถ้าดูให้ดีนะมันทุกข์ทั้งนั้นเลยมันน่าสงสารพอรู้สึกว่ามันน่าสงสารเท่านั้นนะมันน่าเห็นอกเห็นใจนะโทสามจะหายอย่างคนไปวัดหลวงพ่อนะันบางคนเกลียดตุกแกที่วัดหลวงพ่อตุกแกเยอะมันสัตว์อยู่ในป่า นป่ามันถูกทำลายมากนะสัตว์มันก็เข้ามาอยู่ในวัดมันร่มเย็นมันสบายคนไม่ชอบว่าตุ๊กแกนี่จริงตุ๊กแกสวยนะใครเคยเห็นไหมดูใกล้ๆเคยเห็นดูใกล้ๆไหมสวยนะมีลวดลายลายกะนกด <laughs> ้วยมั้สวยมีสีสารจุดแดงจุดน้ำเงินจุดอะไรนี่สวยนะตัวก็เทาๆอะไรเงี้ย หลวงพ่อสอนบอกว่าเห็นตุ๊กแกลองดูสิตุ๊กแกก็ลําบากนะตุ๊กแกเปลือเมื่มอไหร่นะแมวเขาเอาไปกินนะหรือสัตว์อื่นบางทีนกตัวใหญ่ๆเจอเขเอาไปกินนะมันมีชีวิตที่ล่อแหลมมากเลยเนี่ยมันอยู่ด้วยความลําบากมันพร้อมจะตายเมื่อไหร่ก็ได้นะเนี่ยพอมองในมุมที่ว่ามันน่าเห็นอกเห็นใจเท่านั้นเองความเกลียดตุ๊กแกความโกรธตุ๊กแกหายไปเลยตั้งแต่นั้น นี่ยเป็นวิธีน ะ, จะเจริญเมตตาไว้วเราจเจริญเมตไเนี่ยโทสะมันหายไม่ได้เกลียดเจนาให้หายนะมันหายหเองหายอัตโนมัติเลยเนี่ยเราลองนึกถึงคนที่เราเกลียดหรือ น, นึกถึงสิ่งที่เราเกลียดนะแล้วลองดูในมุมที่ว่าในความเป็นจริงแล้วเขาก็มีความทุกข์คนที่เราเกลียดเขาก็ทุกข์เหมือนกันนะไม่ใช่เขาไม่ทุกข์หรอกพราะใจมันเกิดเห็นอกเห็นใจคนอื่นที่มาปุ๊บโทสะมันดับเลย นี่คือหลักของการทำสมถานะเปลี่ยนอารมณ์ที่เลวมาเป็นอารมณ์ที่ดีซะเปลี่ยนอารมณ์เลวๆมาเป็นอารมณ์ที่ดีซะหรือบางคนบ้า ก, กามบ้า ก, กามเนี่ยอารมณ์ที่เลวคืออะไรคือของสวยของงามเป็นอารมณ์ที่เลวสำหรับคนบ้ากามนะเห็นผู้หญิงสวยๆไม่ได้เลยแก่งอกแล้วนะตัวเองแก่มากแล้วเห็นผู้หญิงสวยก็ยังกระดีก้กรนะดา อยากจีบสาวๆจีบสาวๆได้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่ากูอย่างเก่งอยู่อะไรเงี้ยเห็นอะไรก็ชอบนะบางทีก็เห็นของคนอื่นเขาก็ชอบไปเดินศูนย์การค้าเห็นอะไรก็อยากซื้อไปหมดเลยเนะี่ยใจมันขี้โลภนะใจมันขี้โลภใจมันรักโน่นรักนี่ใจมันหลงในกามมากก็ทำกรรมฐานทำในทางกลับข้างกับมัน มันไปชอบในของสวยของงามเราพิจารณาให้เห็นว่าจริงๆแล้วของนั้นมันไม่สวยจริงมันไม่ได้งามจริงมันไม่ได้ดีจริงอย่างครูบาอาจารย์ท่านเคยเล่านะเคยอ่านเจอด้วยเคยฟังท่านบางองค์ไปเจอผู้หญิงสาวสวยท่านทะู ด, ดงไปไปเจอสาวๆนะชั้ใจมันชอบนะมีองค์หนึ่งดูเดือดกว่านั้นอีกท่านอาจารย์จวนตอนนั้นยังไม่บวชเลยชอบผู้หญิงคนหนึ่งนะ ก็ปกตินะท่านผู้ชายท่านก็ชอบผู้หญิงเนะยุคนี้ยิ่งสับสนกว่า น, นอนอีกนะลาบากกว่าเก่าอีกนะท่าชอบผู้หญิงก็หญิงคนนี้สวยนะท่านก็ไปดูว่าผู้หญิงคนนี้ไปอื่นที่ไหนคนบ้านนอกนะอื่นในทุ่งพอผู้หญิงอื่นเสร็จแล้วก็ไปท่านก็ไปดูอื่นนี่น่าเกลียดมากเลยมันไม่สวยจริง ผิวหนังเนี่ยมันสวยนะเนีมันหุ้มของโสโครกไว้เข้าไหนเนี่ยใจท่านตัดออกไปได้เนี่ยเรีอกพิจนารณาปฏิกูณอสุภะใจที่กำลังดิ้นเร่าๆด้วยราคานะก็ดับก็นะาหายไปหรือเจริญเมตตาเนี่ยใจที่กำลังโกรธอยู่ก็าหายไปนะเนี่ยเราทำกรรมฐานแล้วก็ดูตัวเองขี้โกรธก็เจริญเมตตานะชอบโน่นชอบนี่บ้าการมมากพิจนารณาปฏิกูลพิจารณาสุภนะ หลงในเกียรติยศชื่อเสียงลงอะไรก็พิจารณาความตายบ้างอย่างบางคนอยากใหญ่อยากใหญ่พิจารณาความตายยังไงพิจารณาว่าเดี๋ยวอายุ60สก็ตายจากตําแหน่งนี้ละเนี่ยสูตรเสียแเคยเป็นใหญ่เป็นโตนะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นไอ้นูนเป็นอ้นี้หรือเป็นสสครบเทอมเขาก็เอาออกบางทีไม่ทันครบก็โดนเอาออกนะหนึ่เป็นรัฐมนตรีเป็นผู้ว่าเป็นอะไ ข้าราชาการประจําใหญ่ๆถึงเวลาก็ตายคือหมดวาระต้องออกบางทีก็ตายจริงๆบางทียังไม่ทันจะตายก็ตกกระปองซะก่อนนะกระเียนเนี่ยหลวงพ่อก็มีเพื่อนเป็นผู้ว่าเยอะนะเรียนรัฐศาสตร์รุ่นเดียวกันก็เป็นผู้ว่าก็มีเป็นประลัดกระทรวงก็มีใหญ่ๆตัวโตเป็นอธิบดีก็หลายคน ตอนยังมีอำนาจอยู่นะไปไหนมาไหนโอ๊ยคนแวดล้อมนับถือเยอะพอกะเกษียณปุ๊บนะไม่มีใครมองเลยแต่ละคนนะทั้งเหี่ยวทั้งโทมจิตใจเศร้าหมองมาเจอหลวงพ่อนะโอ้ดูท่านผ่องใสจังใช่เราไม่มีตําแหน่งเพราะเราไม่สูญเสียเพราะตำแหน่งเราไม่มีอะไรสักอย่างเราไม่สูญเสียอะไรสักอย่างนะไม่ได้เดือดร้อนเลยนม่รู้จักมอง ถ้ารู้จักมองนะทุกมันจะน้อยนะใจมันจะสงบใจมันจะมีความสุขนี่เรียกว่าสมถะกรรมฐานนะรู้จักทาอย่างนี้หรือถ้าใจเราฟุ้งเก่งคิดทั้งวันเลยคิดโน่นคิดนี่คิดส่วนใหญ่ก็จะคิดไม่ค่อยจะดีด้วยนะทํำยังไงเราก็พามันคิดสิ่งที่ดีๆคิดถึงพระพุทธเจ้าของดีๆพระพุทธเจ้าท่านดีจริงนะท่านมีพระปัญญาที่คุณ นะตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองท่านมีกรุณาที่คุณมีปัญญามีบริสุทธิ์ที่คุณมีปัญญาแล้วสามารถเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยพระองค์เองด้วยบริสุทธิ์แล้วก็ยังมีกรุณาเอาธรรมะมาเผยแพร่คิดถึงความดีของท่านคิดถึงพระพุทธเจ้าอย่างนี้ถ้าใจเราเป็นพวกมีศรัทธานะคิดถึงพระเจ้าเราใจอิม่มเอิเอบบานมีความสุขมีความสงบอันนี้เขาเรียกว่าพุทธานุสติ คิดพิจารณาธรรมะที่ไม่ใช่พิจารณาเพร์เจอร์ทั้งวันนะคิดธรรมะทั้งวันฟุง้งซ่านนานๆพิจารณาธรรมะสักเรื่องหนึ่งที่เราติดข้องอยู่อะไรนะพิจารณาไปหรือคิดถึงคุณของพระธรรมคุณของพระธรรมนี่ยิ่งใหญ่นะสามารถเปลี่ยนสัตว์ ร, ร้ายกาศอย่างพวกเราให้ดีขึ้นดีขึ้นได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้อนะไนีคิดถึงคุณ สามารถช่วยเราลดละกิเลสได้ให้คิดไปนในทางอย่างนี้นะความฟุ้งซ่านมันก็หายไปคิดถึงพระสงฆ์พระสงฆ์คิดยากนะทุกวันนี้คิดถึงพระสงฆ์ที่ไรนึกถึงพระสงฆ์ที่ลงหนังสือพิมพ์นะมันจะแทนที่มันจะสงบนะมันจะยิ่งแย่กว่าเก่านะเพราะฉั้นไปคิดถึงพระพุทธเจ้านะคิดถึงพระพุทธเจ้าให้ปลอดภัยที่สุดนะหรือพระสงฆ์ที่ท่านนิพพานไปแล้วนะ ระโมคัลลาภาษาริบูดพระมหากรสปาอะไรพระมหากรพีนาอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงท่านแต่ละองค์แต่ละองค์นะคิดถึงพระอนุ์อะไรเงี้ยความดีคิดถึงไปแล้วใจมีความสุขหรือคิดถึงคนดีๆคิดถึงพระเจ้าอยู่หัวคิดถึงสมเด็จพระเทพอะไรเงี้ยคิดถึงคนดีๆเรียกว่าเทปตานุสติเนี่ยพอเราคิดถึงคนดีๆจิตใจเราก็มีความสุขน้าไปคิดถึงผู้ร้ายใจไม่มีความสุขเห็นไหมเนี่ยเราก็รู้จักเนี่ยใจมันชอบคิด มันเป็นคนช่างคิดจะไปห้ามมันไม่ให้คิดไม่ได้ก็เรื่องอะไรต้องห้ามไม่ให้คิดก็พามันคิดเรื่องที่ดีๆนะคิดเรื่องที่คิดไปแล้วมีความสุขมีความสงบขึ้นมาเนี่คือหลักของสมถะนะไม่ได้ยากอะไรเลยกลนะับข้างซะนิดเดียวเองแทนที่จะไปหลงตามอารมณ์ที่ชั่วก็น้อมจิตมาอยู่ในอารมณ์ที่ดีซะนะแล้วก็น้อมอยู่อยากต่อเนื่องระลึกไปเรื่อยๆนะหรือเราฟุ้งซ่านมากเราก็รู้ลมหายใจ เนะระลึกถึงลมหายใจไปเรื่อยเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้านะใจเราหนีไปที่อื่นเรารู้ทันนะ้ก็กลับมาหายใจใหมนะ่หายใจไปด้วยความรู้สึกมีความสุขเนี่ยเคล็ดมันอยู่ตรงที่มีความสุขนะหายใจอย่างผ่อนคลายแป๊บเดียวสงบหลวงพ่อฝึกอานาปนาสติมาตั้งแต่เด็กนะตั้งแต่เจ็ดขวบนะงั้นจะทําความสงบเนี่ยไม่ได้ยากอะไรเลยนะทันทีเลยนะไม่ทันจะหายใจหรอกอยู่ที่เราฝึกเอานะ ดังนั้นต้องฝึกถ้าเรามีอารมณ์กรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่เราไปอยู่แล้วเรามีความสุขนะเราจะมีแรงเพราใจมันมีความสุขมีความสงบอยู่ในโลกนี้เร่าร้อนถึงเวลาเราก็เข้ามาทําความสุขความสงบภายในของเรานี้นี่ก็เรียกว่าสมถกรรมฐานทําไปแล้วได้ความสงบได้รับความสุขมีเรี่ยวมีแรงจิตใจสดชื่นนะแต่พระศาสนาไม่ได้มีแค่นี้ ศา ส, สนาพุทธไม่ได้มีแค่สมถะนะยังมีวิปัสสนาอีกสมถะเนี่ยเป็นอุบายเป็นวิธีการเป็นแทคติกที่จะทำให้ใจสงบใจมีความสุขวิปัสสนาเนี่ยเป็นอุบายนะเป็นแท็กติกเป็นกลวิธีที่จะทำให้ใจฉลาดสงบอย่างเดียวไม่พอสงบแล้วโง่นะใช้ไม่ได้ต้องฉลาดด้วยฉลาดแล้วฟุ้งซ่านก็ใช้ไม่ได้ ฉลาดแล้วต้องมีความสุขด้วยฉลาดแล้วฟุง้งแหลกลานไม่ได้เรื่องอะไรนะงั้นทําฝึกให้ได้ทั้งสองอย่างนะหลักของสมถาก็คือน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขนะอย่างต่อเนื่องเป็นอารมณ์ที่ดีไม่ใช่อารมณ์ที่ยั่วกิเลสเนะนี่ยหลักมันมีเท่านี้แหละใครถนัดจะใช้อารมณ์อะไรก็ใช้อ น, นั้นแหละนะแล้วแต่ความถนัดในตํารามีพูดถึงสมถาไว้ทั้ง40อย่าง ในทางปฏิบัติจริงมีนับไม่ถ้วนมีเยอะกว่านั้นนะอย่างพระบางองค์นะท่านขยี้ผ้าขาวพระพุทธเจ้าให้พระจุลปันธกะขยี้ผ้าเช็ดหน้าขยี้ไปขยี้ไปเรื่อยๆแล้วบริกรรมว่าผ้าเช็ดฝุ่นย่อมเช็ดฝุ่นผ้าเช็ดฝุ่นย่อมเช็ดฝุ่นนะนี่ภาษาไทยภาษาแคร์ระโชหารณังระชังหรติระโชหรณังระชังหรติ เห็นไหมพุทธเจ้าท่านตั้งคําบริกรรมให้ฟังแล้วนุ่มไหมระโชหารณังระชังหรติฟังก็จะสงบแล้วเนะี่ยบริกรรมระโชหารณังระชังหรตนะิไม่ใช่สงบสงบสงบสงบนะอย่างนี้ไม่สงบหรอกเนะี่ยพระจุลปันธกาขยี้ผ้าขาวไประโชหารณังระชังหรตนะิขยี้ไปขยี้ไปนะมาดูผ้าไอ้ผ้าเมื่อกี้ขาวแต่นี้ดํา ร่างกายนี้โศกโกรกดังนะนั้นท่านเห็นอะไรมีปฏิคูลมีปฏิคูลสัญญาขึ้นมาระลึกได้ถึงความโศกโครกของกายใจรวมลงมาสงบเนะนี่ยกรรมฐานมีเยอะแยะนะอีกองหนึ่งท่านเป็นช่างทองนะช่างทองแล้วเป็นหนุ่มด้วยพระสารีบุตรก็บอกว่าให้พิจารณาสุภาปรากฏว่าท่านไม่ชอบสุภาเลยพิจารณาสุภาล้วเครียดจิตไม่สงบเลย ทัางๆ ท, ท, ที่เป็นพวกราคาจริตนะแต่ว่าราคาอย่างแรงไปพิจารณาของโสโครกมากๆทนไม่ได้เลยนะไปท่านจะศึกดีพระพุทธเจ้าท่านเห็นว่าองค์นี้มีวาสนานะมีบา ร, รมีจะเป็นพระอราหันต์ด้วยซ้ำไปท่านก็ไปดักตอนจะออกจากวัดเนี่ยดักเอาตัวมาแล้วท่านให้ดอกบัวไปดอกดอกบัวแดงนะดอกบัวที่แขกใช้ไหวพระมบัวสาย แต่ดอกมันโตกวของเรานะแล้วก็มันบานได้ของเราไม่ค่อยบานนะถูกเราเก็บกินหมดนะไม่มีโอกาสบานเขาบานได้อยู่ได้หลายชั่วโมงเท่านให้ดอกบัวไปดอกให้ไปปักที่ทรายให้ไปดูดอกบัวไหมสวยดีองค์นี้ก็ไปนั่งดูดอกบัวนะในส่วนดอกบัวก็เริ่มเหี่ยวใจท่านก็สลดลงเนี่ยทุกอย่างมันไม่แน่นอนนะใจก็สงบงานจริงๆแล้วไม่ยากอะไรหรอกนะ การที่จะฝึกจิตฝึกใจให้มีความสุขความสงบนะไปสังเกตตัวเองเมื่อเราอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วมีความสุขนะแล้วอารมณ์นั้นต้องไม่ยั่วกิเลสเป็นอารมณ์ที่ไม่ผิดศีลผิดธรรมนะไปอยู่กับสิ่งนั้นบ่อยๆเมื่อเราอยู่กับสิ่งนั้นบ่อยๆนะใจเราก็สงบแล้วต่อไปเราก็ฝึกนึกจะสงบเมื่อไหร่นะเราก็ระลึกถึงอารมณ์นั้นปุ๊บสงบปับเลยค่อยๆฝึกไปมันจะได้เร็วขึ้นเร็วขึ้น ถ้าทำไม่เป็นมันก็จะไปบังคับหายใจก็นั่งสงบสงบสงบเงี้ยไม่สงบหรอกต้องอย่างนี้นี่สงบไม่ทันต้องหายใจก็สงบแลเราฝึกเยอะๆนะฝึกไปนี่วิธีให้เกิดปัญญาทําไงนะวิธีให้เกิดปัญญาต้องเห็นความจริงวิธีเกิดปัญญาไม่ใช่เรื่องนั่งคิดเอาละคิดเอาเป็นความฟุ้งซ่านนะเพราะฉะนั้นเวลาทํามิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไม่ใช่เรื่องนั่งคิด แต่เป็นการเข้าไปหมายรู้นะเข้าไปหมายรู้รูปธรรมนามธรรมที่มันประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราเนี่ยหมายรู้ในความไม่เที่ยงของมั น, นหมายรู้ในความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาของมันเพราะฉะั้นมีปรัสนากรรมฐานจริงๆไม่ใช่การเห็นรูปนามไม่ใช่การเห็นกายใจวิปัสสนาจริงๆ ค, LM. คือการเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจของรูปนามนะถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่วิปัสสนา คิดเรื่องไตรลักษณ์เป็นวิปัสนาไหมคิดเรื่องไตรลักษณ์ไม่ใช่วิปัสนาต้องเห็ น, นเห็นด้วยอะไรเห็นด้วยธรรมจักสุกด้วยตาปัญญามีปัญญาไปเห็ น, เ ห, น, น, นเห็นสภาวะเห็นสภาวะทั้งหลายที่เป็นรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายแล้วก็มีไตรลักษณ์อยู่ในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนั้นเห็นไตรลักษณ์ถึงจะเป็นวิปัสนาตัวนี้ต้องให้แม่นนะพวกเราบางคนไปเข้าคอร์สวิปัสนา นะยกเท้าย่างเท้าท้องพองท้อ ง, อ ง, องยุบเห็นแต่เท้าเห็นแต่ท้องไม่ใช่วิปัสนานะเป็นสมถะเพราะ อ, อะไรทำไมเป็นสมถะก็แพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องก็เป็นสมถะเพราะนั้นะเราก็ต้องดูอารมณ์ของวิปัสนาเนี่ยมีอารมณ์รูปนามนะเป็นอารมณ์เป็นตัวหลักเลยแต่บางทีก็แจกแจงออกไปได้หลายแบบรูปนามเนี่ยแจกแจงออกได้หลายแบบแจกแจงเป็นขันห้าก็ได้ ในขันห้าก็มีรูปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปนี้เป็นรูปธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามธรรมมีรูปหนึ่งนามสี่หรือบางทีแจกแจงรูปนามเป็นอายตนะหก็ได้ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรูปใจเป็นนามเนะนี่ยไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะงั้นบางคนถ้าชอบถนัดที่จะดูจิตดูใจล้วก็มุ่งมาดูขันห้า ถ้าถนัดดูร่างกายเราดูเรื่องอายตน 6, นะหกความจริงยังมีอีกมีธาตุสบไอ้พวกอยากดูเยอะๆทั้งรูปธรรม ท, ทั้งนามธรรมามากๆนะมีทั้ง18อย่างแล้วถ้าถนัดนามธรรมาอยากดูนามธรรมาให้ละเอียดเข้าไปอีกนะยังมีอีกคืออินทรีย์ยี่ในอินทรีย์ยี่สบเนี้ยส่วนใหญ่เป็นนามธรรมานะส่วนใหญ่จะเป็นนามธรรมาหรือถ้าฉลาดมากเลยมีบุญบารมีมากนะ รู้อริยสั์รู้ปฏิจจสมุปบาทแต่ปฏิจจ บ, บาตรที่พูดพูดกันไม่ใช่ของจริงนะพูดแต่ปากหรอกอใจไม่เห็นไม่เห็นสภาวะไม่เป็นหรอกต้องเห็นแล้วเห็นอะไรเห็นการความเป็นไตรลักษณ์นะไม่ใช่เข้าใจด้วยการคิดเอาว่าเพราะอาวิชามีอยู่สังขารจึงมีอยู่นะอวิชชาคืออะไรนะแยกได้แประการ สังขารเป็นยังไงแยกได้สามประการอะไรเงี้ยเพราะสังขารมีวิญญาณจึงมีวิญญาณนี้คืออะไรนีคือปฏิสนธิจิตอะไรเงี้ยเพราะวิญญาณมีจึงมีนามรูปนามรูปนะก็มีนามปรธรรมทั้งหลายก็มีรูปธรรมมีนามรูปจึงมีอายตนะมีอายตนะนะจึงมีผัสสะเนี่ยรู้หมดเลยผัสสะมีหกอย่างอายตนะมีหกผัสสะก็มีหกเนี่ยไม่ใช่ ไม่ใช่วิปัสนาดังนั้นคิดเอาเป็นวิชาปริยัติต่างๆอย่างนั้นไม่พ้นทุกจริงต้องเห็นแต่การที่จะเห็นปฏิจจสุบาทนีไม่ใช่ภูมิที่พวกเราจะเห็นหรอกภูมิที่ผู้ที่เห็นปฏิจจสุบัติแล้วบรรลุพระอรหันต์เนีเห็นมีอยู่องค์หนึ่งนะคือพระพุทธเจ้าพุทธเจ้านั่นแหละท่านดูปฏิจจสุบัติไม่ใช่คิดเรื่องปฏิจจสุบาทด้วยนะ ท่านดูว่าอะไรมีอยู่นะทุกข์ถึงมีอยู่เนีท่านพบว่าอ๋อชาติคือการได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอยู่นะการไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจมาเ น, นี่ยทำให้เกิดทุกข์เนี่ยท่านเห็นไม่ใช่คิดนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ยากหน่อยนะไม่หน่อยยากมากยากมากเลยนะเราอาจจะเห็นเวลาถ้าเราดูจิตเก่งๆนะเราจะเห็นปฏิจจสมบทท่อนปลาย แต่ท่านต้นไม่เห็นหรอกอวิชาเป็นปัจจัยของสังขารสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยของนามรูปจ้างก็ไม่เห็นหรอกนะไม่ใช่ภูมิดูไม่ได้หรอกนะจะเห็นตอนจะแตกหักนั่นแหละเนะี๋ยแจ้งอริยสัจขึ้นมางั้นเราไม่ต้องไปเพอ้อฝันถึงกรรมฐานอะไรที่ยากเกินตัวดูกรรมฐานที่เราทําได้จริงนะในอารมณ์ของกรรมฐานที่จะทําวิปัสสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็เลือกไปให้นะ ในสติปัฏฐานสีลองไปดูในสติปัฏฐานสี่เนี่ยเป็นอารมณ์ที่พระพุทธเจ้าท่านเลือกไว้แต่ต้องระวังอย่างหนึ่งในสติปัฏฐานสีนั้นบางอารมณ์เนี่ยเป็นสมถกรรมฐานสอนไว้ให้ทําสมถนะนะโดยเฉพาะในกายานุปัสสนาเนี่ยจะมีอารมณ์ที่เป็นสมถะอยู่ด้วยนะอย่างการรู้ปฏิกูลต่างๆเนี่ยนะนพวกนี้เป็นสมถะทถําไมท่านเอาสมถะมาปนอยู่ใน สติปัฏฐานพระสติปัฏฐานเป็นบทเรียนรวบยอดมีทั้งสมถะทงางวิปัสนานอยู่ในนี้เลยคนที่จะดูกายได้ดีต้องมีสมาธินั้นท่านสอนสมนถะปนเข้ามาในเรื่องขอ ง, ของดูกายนี่ดูกายอารมณ์ในสติปัฏฐานเนี่ยต้องดูให้ดีก่อนบางอารมณ์ใช้ทําวิปัสนาได้อย่างเดียวบางอารมณ์ใช้ทําสมถะได้อย่างเดียวบางอารมณ์ใช้ทําสมถะและวิปัสนาได้ทั้งสองอย่างต้องแยกให้ดี แต่ว่าเราไม่ต้องเรียนทุกอารมณ์นะคนคนหนึ่งเนี่ยเรียนอันเดียวพอไม่ต้องเรียนทุกอย่างอย่างเรื่องร่างกายเนี่ยเราเรียนรู้ร่างกายเพื่ออะไรเพื่อจะได้เห็นความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเนี่ในเบื้องต้นในเบื้องปลายเพื่อจะเห็นว่ากายนี้คือตัวทุกนะเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานเนี่ยเบื้องต้นมันจะเห็นมีปัญญาขึ้นมาหเห็นว่ามันไม่ใช่เราก่อนแต่เบื้องปลายมันจะเห็นว่าสิ่งที่มีนี่คือตัวทุกเนี่เป็นตัวปัญญานะ ถ้าเป็นตัวความสงบก็ส่วนของความสงบนถ้าเรามาหัดกรรมฐานเนี่ยสมวติเราถนัดรู้ลมหายใจแต่เดิมเราเคยรู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าแล้วจิตสงบเนี่ยเราเปลี่ยนเปลี่ยนมุมของการปฏิบัติไม่ได้ดูให้สงบแล้วต่อไปนี้เราเห็นว่าร่างกายที่หายใจออกไม่ใช่เราร่างกายที่หายใจเข้าไม่ใช่ตัวเรานะมีความรู้สึกขึ้นมามีความรู้สึกขึ้นในใจการที่สร้างความรู้สึกตัวนี้นะเรียกว่าสัญญา วิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจะทำไม่ได้ถ้าปราศจากสัญญานะกระทั่งในสมาธินะสมาธิจะมีสัญญาอยู่เรื่อยๆแต่สมาธิบางอย่างไม่มีสัญญานะคืออสัญญาสัตตาลงมาเป็นลมลูกฟักเนี่ยสัญญาดับจิตดับสัญญาดับอันนี้ทำวิปัสสนาไม่ได้แต่ถ้าสมาธิอะไรที่ยังมีสัญญาอยู่ยังทำวิปัสสนาได้ น, ะนีอยู่ข้างนอกไม่ได้เข้าชานอนี้ก็จะมีสัญญาอยู่ แต่สัญญาที่จะต้องใช้เนี่ยต้องเป็นอะไรต้องเป็นอนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญาส่วนของพวกเราเนี่ยมันสัญญาวิปลาสสัญญาวิปลาสหลวงพ่อไม่ได้แกล้งด่านะนี้สับจริงๆนะสัญญาวิปลาสคืออะไรเห็นของไม่สวยไม่งามว่าสวยบ้า ง, งามเห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นของเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นของไม่ใช่ตัวเราว่าเป็นตัวเราอย่างพวกเรารู้สึกไม้มว่าในนี้มีเราอยู่คนนึง เราคนนี้ตั้งแต่เด็กๆเราคนนี้ก็คนเดิมในนี้ร่างกายเปลี่ยนไปนะแต่ในนี้มีเราคนนึ่งได้เป็นคนเดิมด้วยเนี่ยมันเห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงนะมันสําคัญมั่นหมายอย่างนั้นมันสำคัญมั่นหมายผิดงั้นเราจะทภาภาําวิปัสสนากรรมฐานนะมีสติระลึกรู้รูปรู้นามสติเป็นตัวรู้ทันเช่นระลึกเห็นร่างกายหายใจออกระลึกเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าถ้าเห็นอยู่แค่นี้เป็นสมถะ นะเหมือนเห็นท้องฟองท้องยุคเป็นสมถะแต่ถ้าจิตเนี่ยมันไปมองนะไปมองร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าในมุมของความเป็นไตรลักษณ์เรียกว่าเป็นมุมมองนะตรงที่เป็นมุมมองนี้เรียกว่าสัญญาเป็นสัญญาที่ดีนะมุมมองที่ถูกมองในแง่เป็นการหมายรู้ร่างกายที่หายใจออกนะโดยความไม่เที่ยงเออนะร่างกายนี้ไม่เที่ยงนะชีวิตนี้เราตายไปตลอดเวลา หายใจออกไปทีหนึ่งก็ตายไปทีหนึ่งหายใจเข้าไปทีนึงก็ตายไปทีหนึ่งเนี่ยชีวิตเนี่ยตายลงไปเรื่อยๆต่อไปก็หมดไม่ได้หายใจล้นะเนี่ยค่อยๆดูดูดูไปเนี่ยชีวิตมีแต่ความไม่แน่นอนร่างกายที่หายใจออกก็ไม่แน่นอนร่างกายที่หายใจเข้าก็ไม่แน่นอนเป็นของชั่วคราวหายใจออกก็ชั่วคราวหายใจเข้าก็ชั่วคราวเนี่ยถ้าจิตมันมีสัญญาเข้าไปหมายรู้ นะในความเป็นของไม่เที่ยงในร่า ง, งกายที่หายใจออกหายใจเข้าอย่างนี้เราก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาเร่จะเห็นความจริงขึ้นมาว่าร่างกายเนี้ยไม่ใช่ตัวเราหรอกนะร่างกายที่หายใจออกไม่ใช่ตัวเราร่างกายที่หายใจเข้าไม่ใช่ตัวเราร่างกายเนี้ยเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไปร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกทุกอย่างไงเราหายใจออกยาวๆเราจะรู้ว่าทุกข์อย่างไงหายใจเข้าแล้วทุกข์ ทุกอย่างไงลองหายใจเข้าให้ยาวๆแล้วก็รู้ว่าทุกอย่างไงนะเนี่ยถ้าถ้าหายใจนะถ้าหายใจเราก็หมายรู้ร่างกายที่หายใจอยู่เนี่ยดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้เรียกว่าเราเจริญปัญญาอยู่นะทําวิปัสสนาอยู่ถ้าเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าอันนี้เป็นสมถะนะจาไว้นะะเห็นท้องพองท้อ ง, อ ง, องยุบนี่สมถะแต่ถ้าเห็นว่าท้องที่พองอยู่นะเป็นของไม่เที่ยงร่างกายที่พองไม่เที่ยงร่างกายที่ยุบนี่ไม่เที่ยงนะ ร่างกายที่พองก็ถูกความทุกบีบคั้นร่างกายที่ยุบก็ถูกบีบคั้นนะเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราเป็นความเห็นนะเป็นความรู้สึกของใจไม่ใช่การคิดถ้าคิดไม่ใช่วิปัสสนาจะเห็นได้อาศัยสัญญาเข้าไปหมายรู้นะมองให้ถูกมุมมองให้ถูกมุมหนึ่งจะเห็นความจริงนะนี่บางคนไม่ชอบลมหายใจนะใช้อย่างอื่นได้ไหมในร่างกายใช้อิริยาบถสี่ก็ได้ ถ้าหากเห็นว่าร่างกายที่ยืนอยู่ไม่ใช่เราร่างกายที่เดินที่นั่งที่นอนไม่ใช่เราร่างกายทั้งหมดจะไม่ใช่เราเลยเพราะทั้งวันมันก็มีแต่ยืนเดินนั่งนอนส่วนอิริยาบถพิเศษเช่นกระโดดอะไรเงี้ก็มีไม่มากใครจะกระโดดทั้งวันใช่ไหม <S <S ไม่ใช่ผีแมนจูเนี่ยกระโดดดุบ ด, ด, ดุนะหรือผีกองกอยกระโดดไปเรื淡淡่อยเพราะอิริยาบถกระโดดเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้ใส่ไว้ถ้าใส่ยืนเดินนั่ง น, นอนเพราะอะไรเพราะพวกเราไม่ไค่อยกระโดดหรืออิริยาบถว่ายน้ำเงี้ยนะท่านไม่ได้ใส่ไว้ เพไม่ไม่ค่อยได้ไหวน้ําใช่ไหมเราอยู่บนบกเราเป็นสัตว์บกหรือใครเป็นสัตว์น้ําแต่หลายคนไม่ใช่สัตว์บกไม่ใช่สัตว์น้ําเป็นสัตว์เลื้อยคลานชอบเลื้อยอยู่ตามพื้นและไม่ชอบลุกขึ้นภาวนาเป็นสัตว์เลื้อยคลานไม่ยอมขยันเนี่ยถ้าเราเห็นร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนอยู่นะเป็นของไม่เที่ยงร่างกายทั้งหมดจะไม่เที่ยงถ้าเห็นร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนเป็นทุกข์มันก็จะทุกข์ทั้งหมดเลย ถ้าเห็นร่างกายที่เยินเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเราร่างกายทั้งหมดก็จะไม่ใช่ตัวเราเนี่ยดูง่ายๆอย่างนี้เองหรืออยากดูให้ละเอียดก็ดูเรียกว่าสัมปชัญญะแบบพาร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่หยุดนิ่งเรียกว่าอิริยาบถ ย, ย่อยในอิริยาบถใหญ่เนี่ยขณะนี้พวกเรานั่งแต่อิริยาบถย่อยพวกเราเปลี่ยนตลอดรู้สึกไหมเนี่ยนั่งนี้นั่งนี้นนใช่ไหมมีอิริยาบถ ย, ย่อยทําไมต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันทุกข์เนี่ย ที่ผ่านมานะั้นก็ ด, กดุกดิกดุกดิกตลอดนะ น, นี้ก็เกาที้โน่อย่างนี้แต่ไม่เคยรู้เลยว่าเพราะมันทุกข์ต่อไปนี้ก่อนที่จะกระดุกกระดิกก็รู้สึกซะก่อนว่าทุกข์แล้วค่อยกระดุกกระดิกทีหลังเนี่คยค่อยๆรู้สึกค่อยๆฝึกไปไม่ไงั้นจะหลงนะว่าร่างกายนี้ดีดีที่จริงความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลาเลยนี่ถ้าเราเห็นร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วจะได้ประโยชน์อะไรต่อไปร่างกายแก่มันก็เรื่องธรรมดาใช่ไหมร่างกายเจ็บร่างกายตายก็เรื่องธรรมดา ไอ้ตัวทุกข์มันแก่สมน้ําหน้ามันตัวทุกข์มันเจ็บเออดีตัวทุกข์มันจะตายตายซะได้คนดีไม่เดือดร้อนเลยนะมันตัวทุกข์ส่วนของเราถ้าจะแก่เสียดายเพราะอะไรตัวดีมันแก่ใช่ไหมตัวดีมันเจ็บตัวดีมันตายงี้เสียดายแต่ถ้าเห็นเนี่ยตัวทุกข์มันแก่ตัวทุกข์มันเจ็บตัวทุกข์มันตายเออไม่เห็นเป็นไรเลยนะไม่เห็นจะหน้าพิสมัยตรงไหนเลยเนี่ยหานดุกกายไปนะรถใฟมันจะไม่ยึดถือกาย พอไม่ยึดถือกายจะไม่ทุกข์เพราะกายร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายไม่เดือดร้อนหรือถ้ามหาดูจิตใจก็ได้นะกรรมฐานเนี่ยเริ่มต้นด้วยกายก็ได้เริ่มต้นด้วยใจก็ได้แล้วแต่ความถนัดถ้าดูจิตดูใจนะทำยังไงคําว่าดูจิตดูจิตความจริงอย่าไปคิดถึงคําว่าดูจิตเลยแค่รู้ความรู้สึกของตัวเองให้ได้นะภาษาที่ตรงกว่าคําว่าดูจิตนะคือคําว่ารู้ทันความรู้สึกของตัวเองนะหรือรู้ทันจิตใจของตัวเองมีสองตัวนะความรู้สึกกับจิตใจ เนี่ยที่เป็นนามธรรมจิตใจเป็นคนไปรู้อารมณ์ทั้งหลายนะความรู้สึกทั้งหลายเนีเป็นสิ่งที่มาประกอบกับจิตใจเช่นความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ความรู้สึกดีรู้สึกชั่วเนี่ยเป็นสิ่งที่มาประกอบเราก็หัดดูไปนะคนไหนขี้โกรธความโกรธเกิดบ่อยแล้วก็ใช้ความโกรธทํากรรมฐานนะไม่ใช่ฝึกให้ไม่โกรธแต่ฝึกว่าโกรธแล้วเห็นโกรธขึ้นมาก็เห็นว่าตัวเองกําลังโกรธนะหรือคนไหนขี้โลภก็ฝึกใช้กรรมฐานโลภ โลภขึ้นมาทีไรมีความอยากขึ้นันทีไรรู้ทันว่าตัวเองอยากนี่รู้ทันความรู้สึกนะรู้เฉยๆไม่ต้องเข้าไปแทรกแซงเมื่อเรารู้ทันความรู้สึกแล้วเราจะเห็นความจริงว่าความรู้สึกทั้งหลายเกิดแล้วดับทั้งสิ้นความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วก็ดับความดีเกิดแล้วดับความชั่วเกิดแล้วดับไม่ได้ฝึกเอาดีไม่ได้ฝึกเอาสงบนะความดีความสงบความสุขอะไรพวกนี้เป็นของไม่เที่ยง นะเป็นเกิดเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับนี่เราฝึกเราดูของจริงนะ <c oughs> เห็นของจริง pixels, ที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ในใจเรื่อยๆไปต่อไปจิตใจมันยอมรับความจริงนะว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับถ้ายอมรับตรงนี้ได้นะั่นคือว่าความสุขเกิดความสุขก็ดับความทุกข์เกิดความทุกข์ก็ดับนะเนี่ยจวตจะยอมรับแบบนี้อนะ่ต่อไปนะเวลาเราพลัดพรากจากสิ่งที่รักใจเราอยู่ๆแฟนเราทิ้งเนี่นะใจเรามีความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราเคยหัดรู้หัดดูเรารู้ว่าความทุกข์มันของชั่วคราวมันมาแล้วมันก็ไป มันทุกไม่นานหรอกเรารู้อย่างนี้นะไม่กลุ่มใจมากหรือเวลามีความสุขคนทั่วไปเวลามีความสุขก็หลงไหลเวลาความสุขหายไปก็เสียดายความสุขยังไม่มาก็อยากให้มาเนี่ยจะรู้สึกอย่างนี้แต่ถ้ามีปัญญาเห็นว่าความสุขก็ของชั่วคราวความหิวโหยความสุขเนี่ยความหิวโหยในความสุขเนี่ยมันจะหมดไปใจมันจะหายหิวทุกวันนีใจเราหิวตลอดเวลาหิวอะไรหิวความสุขหิวอะไรหิวอยากพ้นจากความทุกข์ เนดิ้นพล่านๆอยู่ตอลอดเวลาอยากมีความสุขก็ต้องไปดูใช่มบางคนรุ่มใจไปดูหนังไปฟังเพลงไปหาของอร่อยกินไปชวนเพื่อนคุยไปนั่งกินเหล้าไปหาอะไรต่ออะไรทำไปเยอะแยะเลยเพื่ออะไรเพื่อให้ใจนะั่นมันหายทุกข์หายทุกขนะ์แต่ถ้ามันเห็นทุกข์ก็ชั่วคราวไม่เดือดร้อนเลยคราวนี้ความทุกข์มากก็แค่รู้ก็จะเห็นว่าความทุกข์มาแล้วความทุกข์ก็ไปความสุขมาความสุขก็ไป นะความดีหรือความชั่วมามันก็ไปหรือบางดีเราพอนาเนะีบางวันเนี่ยสติของเราดีมากเลยรู้เน้รู้ตัวดีนะสติเกิดเร็วแวบบแวบบแวบบเผลอแล้วรู้สึกเผลอแล้วรู้สึกจิตใจก็อยู่กับเนื้อกับตัวทั้งวันเลยภานาไปพานาไปบางวันนะหาไม่เจอเลยพอนาไม่เป็นเลยนะตายแล้วสติก็ไม่เกิดสมาธิก็ไม่มีปัญญาก็หนีไปแล้วนะเหมือนคนพอนาไม่เป็นไม่ต้องตกใจ ความเจริญและความเสื Allah, is, ่อมน่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องไปวุ่นวายกับมันเจริญรู้ว่าเจริญเสื่อมรู้ว่าเสื่อมก็ยังเป็นของที่เป็นคู่คู่อีกนี่หลวงพ่อไปเจอนะที่หลวงตามหาบัวท่านสอนไว้ตั้งแต่เจ็ดธันวาสองพันห้าร้อยสองท่านสอนไว้จำได้เพราะหลวงพ่ออายุเจ็ดขวบต้องวนห่ร้อยสองหลวงตาท่านสอนไว้บอกว่าการภาวนานะ่เผลอแล้วรู้นะ เผลอก็รู้ว่าเผลอรู้ขึ้นมาก็รู้ว่ารู้นะนี่แหละจะได้ธรรมะนะตัวนี้ตัวสําคัญงั้นไม่ใช่ฝึกเอาดีหรอกท่านบอกเจริญหรือเสื่อมนะเจริญได้มันก็เสื่อมได้เสื่อมได้ก็เจริญได้งั้นเราไม่ได้ฝึกเอาของที่เสื่อมได้เจริญได้หรอกแต่เฝึกจนเห็นความจริงว่าทุกอย่างมันเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างมันเกิดแล้วก็ดับไปนะถ้าเห็นอย่างนี้แล้วต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราเนะีย่ยจะรู้สึกว่าธรรมดา ความสุขเกิดก็ธรรมดาความทุกข์เกิดก็ธรรมดาการพลัดพรากจากคนที่เรารักก็ธรรมดาการต้องเจอคนที่เราไม่รักก็ธรรมดาความสมหวังความผิดหวังก็เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อไรยอมรับความเป็นธรรมดาไดนะ้ใจจะไม่ดิ้นรนนะใจจะไม่ทุกข์เนีความทุกข์มันจะค่อยๆลดลดลดลงไปเพราะการที่มีปัญญาไปเห็นความจริงนะว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปร่างกายนี้ก็แปรปรวนะมีแต่ทุกข์ไม่ใช่เรา เปลี่ยนแปลงตลอดจิตใจก็ไม่เที่ยงบังคับก็ไม่ได้มาแล้วก็ไปทุกสิ่งที่อยานี่เห็นความจริงอย่างนี้จิตใจจะเข้าสู่ความสุขความสงบที่แท้จริงด้วยปัญญานะจิตจะหมดแรงดิน้นตรงที่จิตเห็นความจริงแล้วเนี่ยจิตจะหมดความดินน้นรนเมื่อจิตหมดความดิ้นรนนนะจะหมดความจงใจจะหมดเจตนานนะจะหมดเจตนานทุกวันนี้ที่ปฏิบัติเนี่ยมีเจตนาปฏิบัติฟังเราดีนะถ้าเจตนาปฏิบัต ถ้าพูดเต็มยศนะก็คือมีโลภะเจตนาอยากดีนั่นแหละอยากพ้นทุกข์นั่นแหละโลภะเจตนาเป็นเรียกว่ามโนสัญญะเจตนาเป็นความจงใจเป็นความจงใจมโนสัญญะเจตนาเป็นปัใจจัยให้เกิดการกระทำกรรมสิ่งที่เรียกว่ากรรมก็คือพบหรือการดิ้นรนของจิตนั่นเองนะเพราะงั้นตรงที่เราจงใจจะปฏิบัติเนี่ยจิตก็ดิ้นแล้ว อันนี้ไม่ต้องนับว่าจงใจชั่วนะจงใจชั่วก็ดิน้นจงใจปฏิบัติก็ดิน้นนะจงใจชั่วปลุงชั่วไปเรียกอาปุญญาพิสังขารใจก็ดิ้นแบบอาปุญญาพิสังขาปรปลุงดีเ็าเรียกว่าปุญญาพิสังขารก็ดิ้นแบบปุญญาพิสังขารดิ้นแบบคนดีคนดีดิ้นไหมอยากใส่บาตรเนี่ยอยากให้พระมาเยอะๆจะได้ใส่บาตร เตรมของไว้วันนี้วันเกิดเราพระก็นิรับนิมนต์ไปที่อื่นหมดเลยนะใจเราดิ้นเลยนะหรือว่าพระวันนี้ขี้เกียจอย่างไรมาบินทบาดบ้างไม่บินทบาดบ้างเนด่าพระไปเลยนะเนะี่ยเวลาอยากเป็นคนดีนะใจก็อย่างดิ้นเลยนะยังมีดิ้นอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าอาเนนชาพิสังขารนะปรุงจิตปรุงใจให้ว่างๆไม่ค่อยจะรับรู้อารมณ์ส่วนใหญ่จะเข้าอารูปเนี่ยความดิ้นรนของจิตนะ ดิ้นแบบนี้มันดิ้นมาเพราะว่ามันจงใจแต่ถ้าเมื่อไหร่เราพอนาไปเรื่อยๆนะเราเห็นความจริงมากเข้ามากเข้านะแรงดิ้นมันจะลดลงลดลงสุดท้ายไม่มีความจงใจที่จะผลนทุกข์เพราะรู้ว่าความทุกข์เกิดแล้วก็ดับนะความสุขเกิดแล้วก็ดับอะไรๆก็เกิดแล้วก็ดับทั้งหมดเลยไม่ใช่ดิ้นเพื่อจะเอาสุขเอาดีเอาสงบอะไรอีกต่อไปละเมื่อหมดแรงดิ้นเนี่ยจิตจะหยุดการสร้างภพ นะถ้าบุญของเราพอสร้างมาพอศีล ส, สมาธิปัญญยายแก่กล้าพอจิตจะหลุดออกจากภพนะจิตจเริ่มเข้าภพในที่ละเอียดก่อนคือเข้าอัปน า, มาสมาธิแล้วไปเดินตัญญาชั้นในนะในอัปนานสมาธิเสร็จแล้วจิตจะเกิดอริยมรรคขึ้นนะมันจะวางภพทั้งหลายลงไปนะเข้าสู่โลกุตตรธรรมนะถ้าจิตยังวางภพไม่ได้จิตก็อยู่ในภพนั่นแหละไม่ถึงโลกุตตรธรรมหรอก แต่ว่าจิต ท, ที่วางพบลงไปแล้วนะในขั้นพระโสดาบนมันวางได้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็สร้างพบกลับขึ้นมาใหม่อีกขั้นพระสกทาคาเขาวางแป๊บเดียวขั้นพระนาคาเขาวางแป๊บเดียวนะสุดท้ายแล้วเนี่ยที่ปล่อยวางจิตลงไปได้ปล่อยวางธาตุตัวรู้ลงไปได้จิตเท่าถึงความเป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ขึ้นมานะตัวนี้ไม่ไม่เสื่อมลงไปนะแล้ไม่ต้องรักษาอีกต่อไปแล้วจิตชนิดนี้ไม่ต้องดูแล จิตอย่างนี้มันไม่มีอะไรปรุงแต่งได้ทั้งดีและชั่วมีแต่ความสุขมีแต่ความสงบที่แท้จริงเพ่าะอย่างบอกแล้วเนี่ยว่าจิตถูกความดีปรุงแต่งก็ยังทุกอยู่เลยอันนี้พ้นจากความปรุงแต่งทั้งปวงก็พ้นจากทุกข์ทั้งปวงไม่มีความปรุงแต่งเรียกว่าิสังขารไม่มีความหิวโหวยเรียกว่าวิราคะะไม่ยึดถืออะไรเลยเป็นวิมุตติสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงไม่ใช่ปรัชญาพระพุทธเจ้าสอนวิธีปฏิบัติให้แล้ว ก็มาฝึกจิตฝึกใจนะถือศีลหไว้ก่อนแล้วก็มาฝึกจิตใจของเราศีลหเป็นการควบคุมกายวาจาให้เรียบร้อยก็มางานที่เหลือคืองานทางใจงานทางใจมีสองงานงานที่1ฝึกจิตใจให้มีความสุขความสงบเรียกว่าสมถกรรมฐานงานที่2ฝึกจิตใจให้ฉลาดเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานทําได้ทั้งสองงานดีที่สุดถ้าทําได้งานเดียวทําวิปัสสนาไว้นะว่าจะหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นเนี่ย เพราะว่ามีปัญญาถ้าปราศจากปัญญาการเห็นความจริงว่ารูปนามเป็นไตรลักษณ์แล้วก็ไม่มีทางหลุดพ้นได้เลยนะงั้นภาคเพียนไปฟังหลวงพ่อเท่นแรกๆก็ยากหน่อยนะแต่ไปนี้ไปภาวนาเข้าถ้ามีอะไรสงสัยให้เอาซีดีหลวงพ่อมาหนึ่งแผ่นนะแล้วก็ยกมือไหวนะ้คิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าแล้วไปเปิดดู ไปเปิดฟังไม่ใช่เปิดดูนะไปเปิดฟังเอาถ้าเป็น YouTube, YouTube ยูทูบยูทูบอะไรก็ไปดูเอานะมีทุกคำตอบที่ควรจะตอบเรื่องที่ไม่ควรตอบก็ไม่มีรู้สึกไหมมีความสุขแี่รู้สึกไปแค่รู้สึกนะแค่รู้ความรู้สึกของตัวเองอะ่ะมันจะยากอะไรนักหนานะไปฝึกเอานะเอา้ามีส่งกันร้านเปล่าการบำสักรารหลงห่อนะคะ ก็ปฏิบัติภาวนาวาพักหนึ่งนะคะแล้วก็มาฟังซีดีหลวงพ่ออีกพักหนึ่งแล้วช่วงนี้ก็คือถือศีลห้าอย่างที่พระอาจารย์บอกแล้วก็รู้สึกตัวบ่อยๆก็กรรมฐานก็ทําต่อเนื่องบ้างมีหยุดบ้างได้หน่อยแต่บ่อยมากขึ้นก็รู้สึกเบาสบายมากขึ้นนะคะลูกแต่ว่าเวลาที่ที่ที่ในชีวิตประจำวันบางทีก็เห็นตรงนั้นทีขยับตรงนี้ทีขยับเห็นจิตขยับทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีความรู้สึกบางทีมันก็จะแน่นๆก็สงสัยรู้ว่าสงสัยก็อย่างที่หลวงพ่อบอกก็ ก็จะขอกัน้าหลวงพ่อต่อเนื่องถ้าแน่นแน่นเกิดจากจงใจนะคะส่วนใหญ่เกิดจากจงใจแต่บางทีคนอื่นมันเพ่งใส่เราก็แน่นได้นะไปเจอบางคนแล้วเข้าใกล้เราแน่นเลยถ้าเจอประเภทนั้นก็ห่างๆมันหน่อยแต่ถ้าอยู่เองคิดถึงการภาวนาแล้วแน่นเนี่ยส่วนใหญ่เพ่งก็มีโอกาสได้ส่งกันมาหลวงพ่อเป็นครั้งแรกค่ะก็ขอกันบ้านหลวงพ่อเอาไปปฏิบัติต่อขณะนี้จิตอยู่ที่ไหนจิตถึงฐานไหมไม่แน่ใจค่ะ แน่ใจเถอะไม่ถึงไม่ถึงนะใจมันอยู่ที่หลวงพ่อแล้วมันจะถึงฐานได้ไงรู้สึกไหมใจมันมาอยู่ที่หลวงพ่อเ <c oughs> นี่ยคอยรู้ทันนะวิธีที่จะรู้ทันว่าจิตของเราไปอยู่ที่ไหนเนี่ยมีวิธีซ้อมนะนั่งสบายๆก่อนแล้วนึกไปที่ผมห่อเนี่ยไล่ไปที่ผมย้ายมาที่หูย้ายมาจมูกเลยเนี่ยไล่ความรู้สึกไปย้ายความรู้สึกไปเรื่อยต่อไปเวลาความรู้สึกเรามันไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเราจะรู้ทัน นะมันจะไปอยู่ในความคิดเราก็รู้ทันนะเนี่ยเรารู้ทันจิตนะั่คือตัวธรรมชาติที่รู้อารมณ์นั่นเองเนี่ยเราตอนนี้เราไปรับรู้ตอนนี้เอาใจไปไว้ที่ผมนะย้ายมาตรงนี้ย้ายนี้ซ้อมอยู่ในร่างกายนี้นะซ้อมไปซ้อมไปเนะี่ยต่อไปจิตเคลื่อนไปที่ไหนเห็นหมดเลยจะรู้สึกหมดเลยฝึกนะ อ, อย่างนี้บ่อยๆก็ได้สนุกดีที่ฝึก อ, อยู่ใช้ได้อยู่นะใจมันสบายใจมสว่างขึ้นเดียวแล้วล่ะ แต่ใจต้องให้เข้าบ้านจะเป็นสว่างเองโล่งๆอยู่ข้างนอกเนี่ยจะมีแต่ความสุขอย่างเดียวบางคนสอนกรรมาฐานนะสอนบอกว่าทําใจว่างๆอยู่ว่างๆมีแต่ความสุขนั่นไม่ใช่คําสอนของพุทธเจ้าพุทเจ้าสอนให้รู้ทุกข์ให้รู้รูปนามนะให้รู้ตามความเป็นจริงก็คือเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามงนั้นถ้าใจโลง่งใจว่างมีแต่ความสุขใช้ไม่ได้นะให้ย้อนมารู้สึกในร่างกายบ่อยๆ พอใจย้อนมาดูไก่บ่อยๆเดี๋ยวก็เห็นทุกเองอ่ะอะ่ต่อไปคนนี้เขาดีนะมีเสื้อโฆษณาด้วยว่าพ้นวังวนเกับหลวงพ่อครับยังยังไม่หายเกรงเลยครับเหรอครับวังวนนี่มีหลายระดับนะวังวนต้นๆก็คือกามพ้นยากนะพนยากวังวนสูงขึ้นไปเป็นวัฏฏะแนละ้วย่อมุนอยู่ภายในน วัตตะทำงานอยู่ตลอดเวลาหมุนเวียนเกิดดับหมุนจี๋จีอยู่ในใจเราเนี่ถ้าเห็นอริยสัจถิจะทำลายวัตตะนี้ได้ส่วนวังวนนั้นต้องเห็นโทษของกรรมถึงจะทำลายได้เราจะวังวนอะไรอะ่ะว น, นี้ก็ขอความเมตตาหลวงพ่อครับกลัวก็รู้ว่ากลัวครับตื่นเต้นรู้ว่าเป็นเต้น เห็นไหมร่างกายเคลื่อนไหว ร, ร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูหลวงพ่อดูดูพวกเรานะในภาพภาพรวมนะอย่างคนนี้คนนี้อะไรเนี้ยนี่ก็เหมือนกันสบายใจนะสว่างโล่งว่างนะเต็มอยู่ข้างนอกนะพยายามโอปัญายิ่งกถ่าสามคนเลยนะน้อมกลับเข้ามารู้สึกอยู่ในร่างกายบ่อยๆนะย้อนเข้ามาถ้ามันโล่งว่างสบายอยู่ข้างนอกไม่ดีนะ ไม่จติดแต่ความสุขหลวงพ่อเคยเป็นแเราหลวงตามหาบัวแก้ให้ตอนนั้นภาวนาดูจิตนี่แหละดูจิตเห็นกิเลสนะกิเลสมันก็เลื่ลอนหนียวไปแล้วก็ตามดูเพระกิเลสดับไปแจนไปอยู่ข้างนอกสว่างว่างสบายอยู่อย่างนั้นต้องปีงไม่ได้เจอครูบาอาจารย์เจอไปเจอหลวงตามหาบัวไปถามท่านสงสัยมากเลยทําไมมันมันไม่พัฒนาท่านบอกว่าที่ว่าดูจิตนะดูไม่ถึงจิตแล้ว จิตไปออกไปข้างนอกแล้วให้ย้อนเข้ามาอย่าให้เกินกายออกไปกับนรร ก, การหลวงพ่อแป๊บหนึ่งต้องจัดการก่อนรู้สึกไหมพอส่งใหม่ไปแล้วทําอะไรใช่แต่ตอนที่ส่งไปไปแล้วทําอะไรกระจารู้สึกไหมให้รู้ทันนะเออรู้ทันนะเริ่มไปบังคับมันล้วให้รู้มันไม่ใช่ให้บังคับมัน ให้รู้มันนะแต่ไม่ใช่บังคับมันมันสุขก็รู้มันทุกข์ก็รู้มันดีก็รู้มันชั่วก็รู้มันหนีไปคิดก็รู้มันหนีไปดูก็รู้รู้มันไปบ่อยๆหนีไปคิดละเนื้อรู้อย่างนี้นะรู้อย่างเนี้ยถ้าไม่รู้ว่าหนีไปคิดว่าน้ามันบอกเวลาคนมันหลงกันหน้ามันเด๋อเด๋อเนี้ยนะดูง่ายไม่ต้องดูอะไรหรอกดูง่ายง่ายหายใจมีความสุขหายใจแล้วถอนใจทิง อย่างนี้นะในเคล็ดลับเคล็ดลับแท็กติกอันนี้เพราะอะไรตอนที่หายใจเข้าไปเนี่ยมันจะแน่นถอนใจสติมันจะคลาย น, ะ, น, ะ, นะมันจะพอดีนะลองไปทำดูอ้าวรับกับน้ำม ก, การหลวงพอ่อจะไปตีกับใครเนี่ยห้อยพระล่วงมาด้วยเอาไว้เตือนสติครับเ <laughs> ออดี <c oughs> ก็ครั้งแรกที่ส่งกันบ้านหลวงพ่อครับ ฟังซีดีของพ่อมาตั้งแต่ปีห้าสามครับแต่ตอนนี้ก็ดูภาวะปัจจุบันอยู่ก็คือเวลาโกรธมันจะมีความรู้สึกว่ามันมันโกรธนะแล้วก็มันรู้สึกมันนิ่งขึ้นครับเราไม่ได้ฝึกให้นิ่งนะครับเราเรียนดูโกรธมันโกรธเนี่ยเราก็เห็นมันโกรธได้เองรู้สึกแม้เป็นโกรธได้เองครับเราไม่ได้สั่งนะ นั้เนี่ยคอยดูไปเรื่อยๆทุกอย่างมันเป็นเองมันไม่ใช่ตัวเรามันทํางานได้เองไปดูในมุมของอนัตตาไว้เราเป็นพวกปัญญาเกียรตกล้าองนั้นดูอนัตตาไปบ่อยๆเห็นไหมมันทํางานได้เองครับดูอย่างนี้นะดูบ่อยๆก็เคยเคยเห็นเวลาคุยกับใครแล้วไม่ไม่ไม่พอใจคําพูดเอจะมีความรู้สึกว่ามันมันโกรธมันดันขึ้นมาใช่ใช่ครับถูกมันดันได้หลายระดับนะครับ ถ้าคุณขุนนิดหน่อยก็มีหน้าดันลาัแรงมากนั้นขึ้นหัวเลยครับไหมขึ้นหัวเลยหน้าร้อนเลยครับรู้สึกตัวอีกทีชกเข้าไปล้วมีหลายดีกรีแต่รู้สึกว่าตอนนี้จะจะลดลดตัวที่มันลดเองเพราว่าอะไรเพราะสติเราเร็วขึ้นมันไม่มีโอกาสโกรธแรงเพราะว่าพอเริ่มโกรธนี้นี้ก็มองเห็นนะแล้วเห็นไหมเวลาโกรธทีไรทุกก็เกิดทุกทีดูออกไหมครับ คอยดูไฟต่อไปขี้เกียจโกรธมันมีแต่ทุกข์อ่ะที่หลวงพ่อบอกเม่กี้นี้ให้ดึงจิตเข้ามาในกายเนี่ยือที่ดึงจิตเข้ามาในกายเนีะครับดึงยังไงครับไ ม, ไม่ดึงไม่ดึงนะแค่รู้ทานว่าจิตมันหนีไปอยู่ข้างนอกอาามันไปโล่งว่างอยู่ข้างนอกเนี่ยนะก็ะมีวิธีง่ายๆคือรู้สึกในร่างกายบ่อยๆอย่าไปดึงจิตเข้ามานะแค่รู้กลับมารู้สึกในร่างกายเนี่หรือแต่ถ้ามันรู้สึกแล้วมันก็ยังไม่ยอมมานะมันจะอยู่ข้างนอกอย่างเดียวมันเคยตัว ครับนะเอาความรู้สึกเนี่ยจับไว้ที่ลมหายใจแล้วหายใจเข้ามาหายใจเอาความรู้สึกตัวกลับเข้ามาเนียกลับทำอย่างเงี้ยสักสองครั้งนะอย่าทำสามครั้งให้ทําแค่สองครั้งมากที่สุดเพราะครั้งที่สามเนี่ยจะแน่นอึดเลยคราวนี้ต้องนั่งแก้อีกรอบหนึง่งแล้วนะอตอนนั่งปฏิบัติเวลานั่งสมาธินี่ขัดสมาธิปุ๊บเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าสบายบอืพอสักพักหนึ่งมันจะความรู้สึกว่า อ่ามันมืดแบบมีมีแต่ความมืดแล้วมันก็อยู่อย่างนั้นเลครับอ่าอยู่มืดมืดนี่หรอครับภาวนาไงวะมืดมืเนี่ยมันแต่เมื่อก่อนนี่มันความรู้สึกว่ามันอ่าความคิดมันแวบไปแวบมาพอนี้นั่งไปแป๊บเดียวมันความรู้สึกว่ามันเนีมืดเหมือนเหมือนจิตคล้ายๆว่าจิตมันรวมอะไรประมาณนั้นแหละครับให้จิตรวมมื่อ้องสว่างนะมันจะรวมมืดมืดไนนั่งสิอ่าวางไม้ไปนั่งให้ดูหน่อย อย่าเป็นน้ําจิตอยถอยออกมาถอยออกมาลืมตาทําอย่างนั้นเป็นโมหะโมหะสมาธินะมืดหมดอนะ่ะอย่าไปไม่เอานะอย่างเนี้ยเสร็จแล้วมืดหมดเลยลืมตาก็ไม่ได้นะครับไม่ได้จะลืมตาก็ยากเลยครับเป็นไหมเป็นครับเป็นสิก็ทําท่านี้ต้องเป็นแน่นอนเห <laughs> <laughs> มือนตาไม่อยากเลย <laughs> ไม่ลืมหรอกลืมไม่ได้หรอก เพาอะไรเพราะไปเค้นมนะันน่ะไปเค้นจิตจะให้สงบบอกแล้วว่าต้องมีความสุขนี่ยิ้มหวานก่อนเนี่ยเรารู้ไปเห็นร่างกายหายใจด้วยจิตใจที่มีความสุขแบบเนี้ยสงบผู้ช่างไม่สงบผูช่างดูอย่างนี้นะอย่าไป น, น้อมจิตอย่างตะ ก, กี้ตะ ก, กี้เป็นมิจฉาสมาธิทําแล้วโมหามากกว่าเก่าถ้าตายเราจะได้เป็นเดรชาฉานนะครับ <laughs> ไม่ดีจําได้ไหม ได้ครับนั่งให้หลวงพ่อดูอีกทีต้องต้องปรับใหม่นั่งรู้สึกนะไม่ใช่นั่งเนาะเอาอละเอาอละอย่าไปบีบจิตเข้าไปางั้นลืมตาได้ไหมสังเกตไหมพอลืมตาขึ้นมาเบลอไปนิดนึงเนื่อเพราะเราติดเคยชินที่จะน้อมไปให้ซึมซึมนะต่อไปนี้ลืมตาภาวนาบ้างนะสังเกตดูพระพุทธรูปลืมตาทุกองเลยไม่ค่อยมีพระปิดตาหรอกนะ พระปิดตาก็ไม่ใช่พระพุทธรูปด้วยมีแต่พระลืมตาขนาดนอนยังลืมตาเลยรู้สึกตัวหายใจไปคําว่าลืมตาเป็นสัญลักษณ์ของความตื่ น, นงั้นเราไม่ภานาด้วยกันน้อมใจให้ซึมให้นิ่งนะตื่นมีความรู้สึกตัวรู้ตื่นเบิกบานมีใจที่รู้ที่ตื่นที่เบิกบานรู้อะไรรู้ร่างกายที่กําลังหายใจอยู่ด้วยใจที่ตื่นที่มาด้วยใจที่มีความสุขมีความเบิกบานเดีนน๋ยวสมาธิก็เกิด นะนะกับนวัต ก, การหลวงพ่อค่ะส่งการบ้านกับหลวงพ่อครังก่อนนะคะก็หลวงพ่อบอกว่าขันแยกแล้วแล้วก็เห็นไตรักแล้วให้การบ้านคือให้ไปดูความรายของตัวเองอะคะ่ะร้ายไหมร้ายค่ะรายมากๆไหม <c oughs> หรือรายนิดหน่อยคือ <c oughs> หลังจากนั้นก็คือพยายามเพิ่มฐานนะคะก็คือประคองกายแล้วก็บริกรรมควบคู่ไปในชีวิตประจําวันตลอดอะคะ่ะ ก uhm> ็เพื่อเพื่อให้รู้สึกนะไม่ใช่เพื่อว่าให้ไม you ่ให้ไลค์ค่ะก็จะเห็นว่าถ้าเกิดว่าวันไหนรู้สึกตัวดีก็คือมันยังไม่ทันผุดหรือแค่กระเพื่อมนิดเดียวก็คือมันก็จบไปแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันไหนการรู้สึกตัวหรือสติไม่ค่อยดีค่ะมันก็จะปุงเกิดโลบโลภโกรธเยอะตลอดวันก็อันนั้นดีแล้วล่ะที่มันเป็นอย่างนั้นถ้ามันดีตลอดเนี่ยไม่ถูกนะค่ะการพาวนาต้องเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมเป็นธรรมชาติอย่างนั้น ก็จเจริญเราเสื่อมเราก็จเจริญเราเสื่อมเนี่ยค่ะหน้าที่ก็แค่ทําไปเรื่อยๆค่ะถึงจุดหนึ่งปัญญามันเกิดมันจะเห็นเลยว่าไม่มีอะไรที่เราบังคับได้จริงเลยภาวนาเหมือนกันทุกวันแต่ก็ยังมีเสื่อมมีเจริญแสดงว่าเราบังคับไม่ได้ใจมันจะค่อยยอมรับนะว่าไม่มีตัวเราหรอกหนูสังเกตไหมพอเรามองไปในมุมที่ไม่มีตัวเราเนี้ยใจมันสลดมันยังเสียดายใช่ไหมยังเสียดายความเป็นตัวเป็นตนอยู่ เฉได้ก็ไม่เป็นไรพามันดูของจริงไปเรื่อยๆถึงวันนึงใจก็ยอมรับชฉได้นะดีมีของเก่าก็ภาวนาไปดีแล้วค่ะก็ตั้งใจว่าจะมาขอให้หลวงพ่อแก้จุดที่บกพร่องให้อ่ะคะ่ะแล้วก็ขอการบ้านไปทําต่อค่ะไปทําต่อนะไปดูไม่ได้เอาดีไม่ได้เอาว่าต้องเจริญอะไรหรอกดูไปเพื่อให้เห็นความจริงมันทุกอย่างเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกอย่างบังคับไม่ได้นะคืออย่างนี้ การนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะคือก่อกลัวไหมเตื่นเต้นไหมค่ะเตื่นเต้นมากค่ะกลัวรู้ว่ากลัวตื่นเต้นหรือว่าตื่นเต้นอ่ะแล้วไงอีกค่ะภาวนาภาวนาช่วงนี้ก็ภาวนาจริงจริงจังได้ตั้งแต่เมษาเนี่ยค่ะสองสมเดือนกลับมาภาวนาจริงจริดีอดีดีดภาวนานะใจมันจะได้มีต้นทุนของเราสะสมมีบารมีพออาจจะได้ธรรมะในชาตินี้ ถ้ามันไม่ผ่านชาติ น, นางมันก็ง่ายสะสมไปเรื่อยๆค่ะก็ตอนนี้จิตใจก็เข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็กลับมาทำตามรูปแบบก็ตั้งใจพยายามใส่บาตรตอนเช้าทุกวันทำอะไรนะใส่บาตรตอนเช้าค่ะถูกอย่าใส่กลางคืนแล้วก็พยายามนั่งสมาธิทุกวันค่ะแล้วก็พยายามดูอานิจจังนะคะเกิดดับแล้วก็พอ พอรู้สึกว่าเห็นเห็นนิจังเกิดดับไปบ่อยแล้วมันจะมีความสะเทือนใจง่ายไเลยใ ช, ใช่ถูกต้องละนะ่ภาวนาถูกล้วอะไปนะพอดูเห็นของจริงเนี่ยใจมันยอมรับความจริงไม่ได้คนนี้ก็เหมือนกันคนนี้เขารักสวยรักงามมากพอภาวนาไปรู้สึกว่าร่างกายนี้เขาแปรปลุกอะไรเนี่ยมันสะเทือนใจอย่างแรงเลยบิงทีน้ําหูน้ําตาจะร่วงเอนะรับไม่ได้เป็นทุกคนเนี่ยถูกแล้ก็เหมือนกับเห็นคําสุขมัน อะไรก็ต้องดับไปหมดเลยค่ะใช่รู้สึกประเทือนใจแล้วก็พยายามแล้วก็มีความเบื่อตรงนี้จะมีความเบื่อจากติดใจนี่ยแหละเพรารู้ตามความเป็นจริงจงเบื่อหน่ายคเพราะเบื่อหน่ายจึงใคราความยึดถือคลายความยึดถือชิงหลุดพ้นเบื่อจนไม่อยากจะทําอะไรจนพยายามดูให้มันเป็นกลางๆมากๆเ่ะเบื่อจนไม่อยากทําอะไรก็อย่าอันอื่นไม่ทําไม่เป็นไรนะแต่ทํำกรรมฐานนะเจ้าค่ะดูไปเรื่อยๆในวันหนึ่งถึงจะผ่าน ะคเป็นธรรมชาติทานานถูกมันถึงจะเห็นนะจะเกิดความสลดใจเกิดความเบื่อหน่ายะบางทีก็รู้สึกว่าไม่มีที่พึ่งที่อาศัยเลยทุกอย่างในโลกนี้มีแต่ความแปรปลุนอะไรเงี้ยเนี่ยใจที่มีปัญญานะจะเห็นอย่างเนี้ยแต่ว่าใจยังหวั่นไหวอยู่ให้เรารู้ทันว่าหวั่นไหวเนี๋ยใจมันจะเป็นกลางขึ้นมาก็มีคําแนะนําเพิ่มไหมคะเนี่ยแค่นี้ก็เยอะแล้วไปทําออกนะ ภาวนาตามรูปแบบตอนเย็นๆนี่ก็คือนั่งดูลมหายใจเฉยๆอย่างนี้ก็มีความสุขก็รู้แค่นีน้นั่งดูร่างกายหายใจนะหายใจเรามีความสุขก็รู้หายใจแล้วสงบก็รู้หายใจแล้วฟุ้งซ่านก็รู้ไม่ใช่รู้แต่ลมหรอกหายใจไปเราก็รู้ใจแล้วก็ขึ้นค่ะตามนิมิตการหลวงพ่อค่ะครั้งที่แล้วหลวงพ่อให้หนูไปเพิ่มเนคขามาแรกๆก็ ได้ทำได้พอสมควร ห, หลังๆมันก็เริ่มหย่อนไปธรรมดานะเป็นกระวาดมันจะให้เหมือนพระไม่ได้หรอกได้เป็นคราวๆก็อยางดี <c oughs> ไปมะนาว <c oughs> นะให้ใจมันอยู่กับตัวเองใจยังไม่ค่อยมีแรง <c oughs> หายใจไหมหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกก่อนนะ หายใจเข้าก่อนจะแน่นหายใจออกหรือมีลมอยู่นิดเดียวก็ออกนิดเดียวหายใจออกรู้สึกตัวจะเข้ารู้สึกตัวมีคนหนึ่งเขาฉลาดเขาบอกตั้งแต่เด็กนะเขาฝึกหายใจเข้าพูดหายใจออกโทพอหลวงพ่อบอกให้หายใจหายใจออกก่อนนะเขาก็งงจะหายใจออกพูดหายใจเข้าโทบอกโอ้มันตีกันมั่วไปหมดเลยนะสุดท้ายเขาก็ฉลาดเขาบอกเขาเริ่มต้นด้วยการหายใจออกทิ้งไปนิดหนึ่งก่อนแล้วก็หายใจเข้าพูดหายใจออกโทปกติแล้ ก็ว่าใจนี่นุ่มเลยนะรู้เนื้อรู้ตัวนี่ฉลาดจริงไม่ต้องเปลี่ยนกรรมาฐานปรับนิดเดียวเองไปทำเอ า, อาใจยังไม่ค่อยมีแรงยังฟุ้งอยู่ฟุ้งก็หายใจไปอนาปนสติดีะดนะสำหรับคนจุ้งสัง้นถ้าฟุ้งมากก็ประกอบด้วยธรรมบริกรรมหายใจเข้าพูดหายใจออกโวอะไรก็ได้นะต่อไป กับนมรรสการหลวงพ่อคะ่ะคืออยากถามว่าหนูทนําถูกหรือเปล่าคะถูกหนูเห็นไหมว่ากายกับใจมันโคนละอนกันค่ะ<ฆ>นันขันหนูแยกแล้วแล้วขันมันแยกได้แล้วหนูดูต่อไปนะร่างกายมันทํางานใจเราเป็นคนดูไปได้มันไม่ใช่เราหรอกนะแล้วความรู้สึกทั้งหลายกับใจเข้าคนละอนดูออกไหมใช้ได้แล้วล่ะอายุเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบค่ะยี่สิบภาวนาเก่งกว่าหลวงพ่ออีกหลวงพ่อยี่สิบยังทําแต่สมถะเลยนะ หนูเป็นคนที่ชอบคิดมากค่ะแล้วก็ชอบหาเหตุผละคะออ่ะคิดมากให้ดูจิตแต่แทนที่จะไปนั่งหาเหตุผลนะให้รู้ทันความรู้สึกแทนนะค่อยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไม่ต้องคิดเหตุผลอะไรมากหรอกให้รู้ทันความรู้สึกนะจะเห็นว่าความรู้สึกทั้งหลายมาแล้วก็ไปเห็นอย่างนี้ระหว่างวันนะคะที่เวทนามันเกิดนะคะมันจะรุนแรงมากบางทีมันก็ห้ามไม่ค่อยได้ะคะ่ะห้ามไม่ได้มันเป็นอนัตตา เราจะดูยังไงอะคะให้มันแบบดับลงไปเลยไม่ได้ดูให้ดับแต่ดูให้เห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงยังรู้สึกไหมเวทนาเรียกเวทนานะไม่เรียกเวทนาใน เ, เวทนาเนี่ยเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบารู้สึกไหมอัเนี้ยไม่เที่ยงเมื่อทีก็หายไปอันนี้มันทนอยู่ไม่ได้นะมันอยู่ไม่ได้นานนะมันโทษต้องหายไปแล้วตอนก่อนจะหายไปนละ้วมันก็แปรปรวนตลอดเวลาแล้วมันจะมาหรือมันจะไปสั่งไม่ได้ สั่งไม่ได้ที่ว่าอนัตตาหนะดูดูไปเรื่อยๆเห็นอ น, นิจจังอ น, นิจจังก็คือของเคยมีก็ไม่มีเช่นเคยมีความเจ็บปวดแล้วก็หายไปทุกขังเนี่ยของที่กําลังมีเนี่ยกําลังถูกบีบคั้นให้หายไปนะถ้าตัวเวทนาดูอย่างนิดนึงคือหนูเคยฟังจากยูทูปว่าหลวงพ่อเคยบอกว่าถ้าเกิดเรารู้ทันจิตแล้วเวทนาจะดับลงไปเลยนะคะ่ะไม่ไม่ใช่ดูให้เวทนาดับ นะดูเวทนาด้วยจิต ท, ที่เป็นกลางแต่ว่าบางคนเนี่ยทำกรรมฐานนะสมาธิเราไม่พอเราอย่าไปดูที่เวทนาเป็นหลักให้เรารู้ฐานที่จิตเป็นหลักไม่ใช่ว่าดูจิตแล้วเวทนาดับนะให้ดูจิตเป็นหลักหมายความว่าอย่าความนั่งสมาธิอยู่เนี่ยบางคนดูกายเป็นหลักก็เห็นร่างกายหายใจอยู่นะใจเป็นคนดูนี้ดูกายเป็นหลัก บางคนก็ใช้เวทนาเ ป, นเป็นหลักก็เห็นความเจ็บปวดเกิดขึ้นใจเป็นคนดูเห็นเวทนาไม่ใช่ความไม่ใช่ไม่ใช่จิตที่เป็นคนดูเวทนาก็ไม่ใช่ร่างกายดนะ้วยยกอยู่ต่างหากแต่ตรงนี้ถ้าบางคนทนไม่ไหวนะยังหมดจะดูเวทนาให้ดูที่จิตแน <iyoruz> <ๆ S 1> ทนเช่นพอมีความเจ็บปวดเกิดขึ้น <ย Talking S 1> จิตไม่ชอบรู้ที่ความไม่ชอบเนี่ยแทนที่จะดูเวทนาก็มาดูที่ความไม่ชอบนี่ยให้มาดูจิตแทนสําหรับบางคนที่ทนดูเวทนาไม่ได้ ก็ดูจิตแทนเพราะว่าจะดูกายดูเวทนาดูจิตช่วใช้ได้เหมือนกันทั้งหมดแหละค่ะขอบคุณค่ะบางคนว่าไปดูจิตไปนะเป็นคนช่างคิดว่าดูจิตเอาพวกช่างคิดให้ดูจิตเพราะอะไรเพราะคิดเรื่องนี้สุขคิดเรื่องนี้ทุกคิดเรื่องนี้ดีคิดเรื่องนี้ร้ายจะเห็นเลยมันเปลี่ยนตลอดเวลาเพราะมช่างคิดเราะนั้นคนช่างคิดก็มีบุญนะไปดูจิตง่ายพวกไม่คิดไรวัน อย่างเนี้ยไปดูไก่ไปกวาดบ้านถู บ, บ้านไปทําอะไรเข้าไปอ่ะกลับรามาสการเจ้าค่ะคือปฏิบัติมานานแล้วค่ะแต่ไม่เคยส่งการบ้านของพราะป็ครั้งแรก อ, อ, อืมีอยู่ช่วงหนึ่งปฏิบัติไปแล้วที่กลางอกมันหมุนค่ะถูกมันหมุนหมุนแล้วมันหมุนห ม, มุนทั้งวันอเ อ, อ้ยทําไมมันแล้วก็ถามตัวเองว่าทําไมมันหมุนทั้งวันอืแล้วมันก็หายไปค่ะ <laughs> บางครั้ง ลมหายใจมันจะเดินเองแล้วก็นอนดูลมหายใจว่ามันเดินชึกชกักชักชกัช ก, ชกในร่างกายแล้วมันก็ดับไปดูอย่างนี้ได้แต่บางครั้งนีขนขณะที่คลึงหลับคลึงตื่นมันจะเห็นภาพดิมิตเหมือนเป็นจอแล้วก็มีการเคลื่อนไหวเหมือนดูทีวีค่ะอืมอันนั้นเราไม่ดูนะเราเป็นเวลานอนไม่ควรดูทีวี <laughs> ให้เราย้อนมารู้ทันใจของเราเพราะนี่ใจเราไหลไปอยู่ในจอละอันอย่าไหลไปอยู่ในจอนะ ทีเดี๋ยวมันพาเราไปเห็นโน่นเห็นนี่นะพยายามรู้สึกตัวไว้อย่าให้ใจไหลเข้าไปแต่ถ้าอยากหลับก็ปล่อยให้ไหลนะแล้วก็หลับไปเลยนะเพราะว่าภูมิจิตภูมิทรรระดับนี้อยังต้องไหลก่อนถึงจะหลับถ้าไม่ไหลไม่ยอมหลับเลยถ้าฝึกเก่งๆจริงนะไม่ต้องไหลก็หลับนะเพราะฉะั้นคนที่ไหลแล้วหลับเขาเรียกหลับไหลนะ ถ้าหลับรู้เนื้อรู้ตัวเรื่องมีสติหลับไปด้วยความมีสติจิตไม่เคลื่อนไหยแล้วทีนี้ว่าทุกวันเนี้ยค่ะอยู่เหมือนสัญญาความจำมันไม่ลือมอะค่ะแต่ว่ามันไม่มันไม่จำต้องจ ำ, อ, งจำอะไรที่ควรจำก็คือต้องสนใจใส่ใจลงไปเพิ่มสติลงไปเพิมพ่มความใส่ใจลงไปหน่อยนะอย่างเราจะวางแก้วน้ำไว้ตัวเนี้ย ขี้ลืมวางแล้วหายทุกทีเวลาจะวางก็ทำความรู้สึกแบบวางไว้ตรงนี้นะอย่างเงี้ยเพิ่มความรู้สึกเข้าไปใส่นะสติสัมปชัญญะเออ<ด>นั่นแหละไม<ป>่อันวางนะแป๊บเดียวไม่รู้อยู่ไหนลนะนะอย่างนี้ต้องทำยังไงต่อไปคะขีโมโหไหมเป็นค่ะนะขีโมโหดุเดือดค่ะ งั้นเราคอยรู้ทันใจของเราก็ลักกันใจเราขุนมัวขึ้นมาให้รู้ว่าขุนมัวนะใจเราผ่องใสให้รู้ว่าผ่องใสดูง่ายๆแค่นี้แหละให้ดูใจอย่างเดียวดูใจใจขุนมัวรู้ทันใจผ่องใสรู้ทันนะฝึกไปเรื่อยเอาแค่รู้นะไม่ใช่ว่าต้องใสหรอกไปฝึกตัวนี้ให้เยอะๆไปครับทุค่ะนิมมุตนากรกับนรมสการเจ้าค่ะหลวงพ่อ ตอนนี้เครียดแล้ว<า>สั่นแล้วเครียดแล้วค<า>่ะเหรอให้คนอื่นเขาก่อนสิไม่อยากให้ว่ามาก็คือนั่งนั่งอยู่นี่มันก็แบบบางทีซึมค่ะซึมแล้วก็เริ่มแบบใจก็เริ่มเต้นเต้นเฉพาะที่นี่ปะ่ะหรืออยู่ที่อื่นเป็นที่อื่นบางทีก็เป็นเวลาเราต้องไปติดต่องานหรืออะไรเงี้ยเราจะเต้นเต้นเต้นห้ามมันไม่ได้หรอ ม, มันที้ตื่นเต้นมันจะตื่นเต้นห้ามไม่ได้แล้วก็ปฏิบัติมาก็พอสมควรไม่ทราบเป็นยังไงบ้างก็ดีเหมือนกันนะ <c oughs> ไปถึงไหนแล้วคะหลวงพ่อจะไปไหนล่ะ <c oughs> อยู่กับปัจจุบันไม่ต้องไปไหนหรอกแล้ ว, ลวรู้สึกตัวบ่อยไหม <c oughs> เวลากิเลสเห็นอนะเวลาถอนใจรู้สึกไหม รู้สึกค่ะ เ, ออเห็นร่างกายถอนใจดูกายชัดมาดูจิตอีกเพราะฉะนั้นรู้สึกในร่างกายบ่อยๆ น, นี่ยร่างกายพยักหน้าร่างกายพูดร่างกายขยับรู้สึกร่างกายกวาดบ้านถูบ้านร่างกายทํางานรู้สึกแล้วก็ดูเหมือนเห็นคนอื่นทํางานไปเรื่อยๆเห็นคนคนอื่นเคลื่อนไหวเหมือนดูคนอื่นอ่ะบางทีมันจะมาแว๊บๆเหมือนกันค่ะเออนั่นแหละดูดูตรงนี้บ่อยๆดูกายนะดูกายไว้นะ ก็ uh, ดูใจไม่พอเรามันหนีไปหมดหนีหมดเลยใช่แล้วชอบไปไปเหมือนแบบไปติคนอื่นอะ่ะใช่ใจเราแบบคนอื่นทําอะไรเราชอบไปตินี่ไงเราต้องมาดูกาของเราไม่มีปัญญาตีใครเลยเพอนอ้าปากจะว่าเขานะรู้สึกแล้วออเนี้ยไม่ติแล้วบางทีพอติในใจพอติติไปเขาไม่หยุดนี่เราแบบออกไปแล้วเออนั่นแหะรู้สึกในร่างกายบ่อยๆนะค่ะรู้สึกไว บางทีพอว่าเขาไปแล้วอะไรแล้วเรามีความรู้สึกว่ามามาเสียใจทีหลังเป็นอย่างนั้นแหละพวกที่โมโหเป็นอย่างนั้นทุกคนอ่ะแล้วเสร็จแล้วโมโหตัวเองต่อว่าไม่น่าไปว่าเขาเลยใช่ไม่น่าไปว่าเขาเลยแล้วเราก็มานั่งแล้วก็ไปขอโทษเขาทีหลังก็ยังดียังรู้จักขอโทษก็ยังดี ถ อ, อนหายใจอีกแล้วหลวงพ่อมีอะไรแนะนําอีกไหมคะนอกจากดูกายดูกายไปนะแล้วก็ส่วนทางใจเนี่ยตัวที่เด่นน่คือตัวโทสะค่นะดังนั้นโทสะผุดขึ้นมาก็รู้เอาบางทีมันไม่ทันนะค่ะไม่ทันไม่เป็นไรโกรธก็รู้ว่าโกรธอไม่ใช่ว่าโกรธก็รู้พร้อมๆกันเป็นไปไม่ได้หรอกโกรธแล้วแน่นตอนนี้ก็รู้สึกแน่น ๆ, ๆน่ชาแน่นเพราะว่าบังคับตัวเองไว้อ<ะ>๋อค่ะมันกดเอาไว้ ไม่ใช่โกดอันนี้กดอันนี้กดเหรอคะอันนี้อาการกดใช่ไหมคะกดเอาไว้ทําไงถึงจะปล่อยคะเนี่ยปล่อยไม่เป็นทําไม่ได้มีปาัชนาไม่มีคําว่าทำนะมีแต่คำ ว, ว่าเห็นต่างความเป็นจริงเห็นไหมมันกดได้เองเราไม่ได้เจตนากดจนชาเลยคะ่ะโรชาไปทั้งตัวเลยตอนเนี้มีวิธีแก้เอาไหมเอาค่ะส่งไม้ไปหายแล้วเอาหายยัง เห็นไหมโล่งเลยเห็นไหมอันเนี่ยไอ้ตัวใหม้นี่แหละตัวไม่ดีอ้อ า, าวข้ากราบหลวงพ่อคะ่ะฟังแต่ซีดีของหลวงพ่อคะ่ะไม่เคยส่งกันบ้านไม่เคยไปปฏิบัติก็ฟังมาสักระยะหนึ่งฟังแล้วก็ปฏิบัติตามที่รู้สึกไหมว่ากายกระใจมันแยกได้แยกได้ค่ะนะสุขทุกข์ดีชั่วก็แยกได้แยกได้นี่เรียกว่าแยกขันได้ แ, <ย>แล้ว เดี๋ยวนี้คนแยกขันเป็นนีเยอะนะแล้วของหนูก็แยกถูกด้วยจิตไม่ไปอยู่ข้างนอกะจิตอยู่กันแล้วก็ตัวจิตถูกที่เ <Okay. S 1> นื้อต่อไปนี้ดูไปได้ด้วยนะใจโมโหขึ้นมาก็รู้ขี้โมโหไหมโมโหบ้างนั่นแหละโงะเ่เฮงให้พอใจหุ่นญหยีขึ้นมาก็รู้ทันนะดูจิตดูใจทํางานไปแคท้ภาวนาถูกแล้วล่ะการภานต่อไปนี้ไม่ลําบากแล้วนะมันลําบากตรงที่ว่า จะแยกขันได้ไหมพอแยกได้แล้วจะ ง, ง่ายนี้แยกได้แล้วจิตตั้งมั่นถูกต้องด้วยยิง่งยิ่งดีใหญ่ปัญญาจะเกิดนะมันจะเห็นว่าขันนี้ไม่ใช่ตัวเรารู้สึกบ้างไหมรู้สึกค่นะจะเห็นได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตมันตั้งมัน่นจิตที่ตั้งมั่นเรียกว่าจิตมีสมาธิสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญางั้นถ้าจิตไม่ตั้งมัน่นไม่ถึงฐานไม่อยู่กับตัวเองก็ปัญญาไม่เกิดของหนูเนี่ยจิตตั้งมั่นถึงฐานนะแล้วขันแยกออกไปแล้ว งั้นปัญญาเกิดแน่นอนมันจะเห็นเลยทั้งหมดนี้ไม่ใช่เราทั้งหมดนี้เต็มไปด้วยตัวทุกข์รู้สึกไหมว่ามันเป็นตัวทุกข์ใช่ค่ะนั่นแหละดีดูไปเรื่อยๆมีแต่ตัวทุกข์ไม่ต้องไปภาวนาให้มันหายนะเพราะไม่หายมันมีแต่ว่ารู้ความจริงว่าทุกข์แล้วมันวางมันไม่หายหรอกมันก็ทุกข์ของมันอยู่นั้นแต่มันวางไม่ทําต่อไปใช้ได้ละพอดีหนูมีสิ่งที่แบบ จริงๆก็คือเมื่อตอนที่เริ่มปฏิบัตินะคะหลวงพ่อมันชอบส่งการบ้านส่งการบ้านตลอดเวลาฟังซีดีไปก็ส่งอยู่เนี้ยอยู่บ้านนะส่งอยู่ตลอดไม่ต้องหรอกแล้วตอนนี้มันก็พอรู้ว่าจะมาฟังชอบส่งการบ้านเนี้ยก็เลยแบบลองส่งสักครั้งซีจะได้เลิกไปจะได้เลิกส่งส่งบ่อยๆไม่ดีหรอกฟุ้งสั้นพอดีหนูมีปัญหานี้นะคะหลวงพ่อทุกครั้งที่ตื่นนอนมาก่อนที่มันจะรู้สึก จิตมันรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนนะค่ะมันจะเห็นเหมือนเห็นเหมือนอะไรยิบยิบยิบยิบยิบถูกแล้วสังขารละเอียดมันปรุงขึ้นมาก่อนยังไม่ได้แปลนะเนื่องจากจิตมันตื่นก่อนนะร่างกายมันตื่นทีหลังแต่พอพอเริ่มมีตัวปรุงแต่งเริ่มมีความคิดปุ๊บอันนี้ก็มีสัญญามันจะเข้าไปหมายฟปแปลเป็นธรรมดากลไกการทํางานของมันเป็นอย่างนั้นแหละถูกแล้วเห็นไหมมันเป็นเอง มันเป็นได้เองไปดูต่อไปไม่ต้องคุยเยอะคุยเยอะจะฟุ้งในธรรมะระวังไว้นะอย่าไปคุยธรรมะเยอะนะถ้าหนูคุยธรรมะเมื่อไหร่เสียใจจะฟุ้งสั้นในธรรมะเดี๋ยวต่อไปมันจะพูดธรรมะไม่เลิกเจอใครก็จะสะกิด จ, จะเทศให้ฟังเรื่อยๆนะต้องระวังนะตัวนี้มันเป็นวิปัสสนูตัวหนึ่งใ จ, ใจที่อยากแสดงธรรมะอยากพูดอยากถามอยากเถียงอะไรนะ่อย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปยอมมัน ใช้ได้นะจิตเนียบมากเลยอ่ะออออปฏิบัติมาพักหนึ่งแล้วนะคะเท่านี้มันรู้สึกว่ามันคือพดูแล้วมันก็เห็นแต่ความเกิดดับเกิดดับอย่าไปเบื่อสิมันเบื่อมากค่ะเบื่อหอนะัเบื่อตัวนี้เป็นโทสะไม่ใช่นิพิธานะค่ะงั้นให้รู้ทันว่าใจมีโทสะใจเบื่อให้ดูเข้าไปอย่างนี้นะพอความเบื่อนี้ดับไปแล้วก็ดูสภาวะไปด้วยใจสบายๆต่อ อันนี้ดูไปแล้วก็รุ้นว่าเมื่อไหร่จะผ่านอย่างนี้นะดูแล้วก็มันก็หงุดหงิดขึ้นมาอโทษสาแทรกไปดูตัวนี้แล้วก็มันมั น, ม, นมันเห็นแต่ตัวทุกตัวทุกอย่างเดียวมันแต่ใจมันไม่ชอบนะบางทีใจก็สลดสลดจะรู้ว่าสลดไม่ให้ความสลดครอบงําใจนะไปดูอย่างนี้แหละจิตไม่ถึงฐานนะดูออกเปล่าดูออกจก้ะ ดูออกไม่มีปัญหาแล้วถ้าดูไม่ออกก็มีปัญหาอ่ะต่อไปคนสุดท้ายแล้วตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะการทำมัศการหลวงพ่อค่ะก็ใครบังคับให้มาถามหรือเปล่าเนี่ยแม่ <laughs> แม่เหรอรีบฟ้องเลยแล้วแม่อยู่ไหน <laughs> อ๋อแม่อยู่นนั่นแม่เหรอค่ะ <laughs> อ่ะ ก็คี้โกรธคะ่ะไม่เคยดูอะไรเลยอะไรนะไม่เคยดูซีดีของหลวงพ่อเลยคะ่ะไม่ก็ซีดีอย่าไปดูฟังเราเวลาดูคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองไว้นะอยากโกรธขึ้นมารู้งอนขึ้นมารู้อยากกินขนมรู้อยากไปเล่นก็รู้รู้ทันใจก่อนที่เวลามีความอยากเกิดทั้งหลายนะ <c oughs> ให้รู้ทันว่ามันอยากแล้ว ส่วนจะทำหรือไม่ทำเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ <c oughs> เช่นมันอยากมันงอนขึ้นมาอะไรเงี้ยเรารู้มันโกรธขึ้นมารเงี้ยเรารูนะ้มันดีใจเรารู้มันเสียใจเรารู้คอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปได้่อยๆนะหนูพาวนาไม่ยากหรอกหน้าตาฉลาดภาวนาไม่ยากรู้ตัวไหมว่าฉลาดไม่รู้เอเออรู้ซะแต่ไปนี่พาวนานะ ถ้าหนูเลอกภาวนาเมื่อไหร่โง่เมื่อนาน่ลยคนภาวนาเนี่ยต้ฉลาดนะถึงจะภาวนาเพราะว่ามันหาทางออกจากความทุกข์ได้คนไม่ฉลาดมันก็จมอยู่กับโลกไปเรื่อยๆชีวิตไม่มีความหมายอะไรอายุเท่าไหร่แล้วสิบเอดค่ะสิบเอ็ดภาวนาได้แล้วล่ะหูภงพ่อภาวนาตอน7จขวบเนี่ยคนเนี้ยสิบขวบคนเนี้ยเขาเห็นมันหมุนอยู่กลางหน้าอกนะ แต่นานๆเห็นทีตอนนี้ไม่ค่อยดูแล้วตอนนี้ดูเดี๋ยวพ่อไปฝึกเอาไปคอยรู้ทันความรู้สึกนะมันอยากขึ้นมาก็รู้ว่ามันสุขมันทุกข์มันดีมันร้ายคอยรู้ไปเรื่อยๆแค่นั้นก็พอแล้วหมดแล้วรับผ่อนนะ ยถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปฏิตังทุมหังจิปะเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสพีติโยวิวัตชันตุสัพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะ อาพิวาธนาสีลิสนิจังวุธาป จ, จายิโนจ ต, ตาโรธรมาวันติอายุวันโนสุขังพระลังหลวงพ่ออนุโมทนากับทางโรงแรมนะเจ้าของโรงแรมนิมนต์หลวงพ่อมาเทศที่นี่นเป็นการทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมกับสังคมเรขออนุโมทนาด้วยนะ